หมดนะไปหรือเขอโทษท่านามามากเิไปรูสีไปก่มาเช้าอกต่างๆไม่เป็นไรหรอมามด้มาไทยกันนที่กิจกร มีแล้วกเือกที่เดียมก็มาลองดูที่เหวิคือสิ่ที่เราะคือบบ้้ดีอบุีอุญขอบุญพี ขึนกจเร็จเรียบร้อยคดีมีเงินถึตกาหรือกของของหมู่จะมาเพิ่มคันนี้อาจารย์มีใครมาเป็นประธานมีใครนีที่ทันแหละครับมอบุญนาบุญเขาเป็นประธานท่านคจะเป็นประธานประธานเป็นนายกประธาน วันนี้มาจากหลายที่จากครูสงโคก็หลายคนเกินไปงานกระถินที่เั้นต่นงๆเขามีจะวาดแล้วก็มามไปะมาชิกมาเยอะเลยพวกพวกกราบก็มาพวกผู้กินจุลธรรมนำใจคนเลยตามมาเยอะเลย แต่พอดีช่วงนี้เป็นเทศกาลภากะถิ่นที่หนึ่งก็ทอได้เพียงครั้งเดียวกระถิ่นนี่เป็นถือว่าเป็นทางพิเศษเป็นเป็นพุทธบัญญัติพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บัญญัติกำหนดขึ้นมาโดยปกติใหญ่นี้จะมีเหตุการณ์ที่ทำให้พพุทธเจ้าเห็นว่ามีความจาเป็นอย่างเช่นกระถินก็ ตองเห็นมีพระมเห็นยอดพระที่เสือขาดพ้าผ้าจีอนไว้ใส่มีมีเรื่องเล่าว่าอ่ อ, อนใจที่ดีพรรษาหรือออกพรรษาเราไม่รู้จันั้นมีพระที่เสือคนหนึ่งเดินทางมาพพระพรุทธเจ้าแล้วมาเจอของการทา ง, ทงะอะไรเสียก่อนไปหมดเวลาเข้าพระพรุทธเจ้าก็เข้าไปตั้งขนาะที่ ตจีวรที่เปลียนตอนนี้พระองค์ก็ทรงเห็นแล้วก็ทรงมีความเมตตาสงสารเห็นว่าพระพิสุทไม่มีผ้าจีวรไว้ไม่คอยเปลี่ยนเวลาเปี่ยนขนอนายนั้นท่านจะมีแค่จีวรผืนเดียวสารติผืนหนึ่งแล้วก็สบงผืนเป็นหลักจะไม่มีไว้หลักเวลาจะเปลี่ยน อย่างในเรื่องที่นากวิสากาแไปส่งคนใช้ไปไปดูพระที่ที่วัดว่ามีพระอยู่สี่รูปมาดูคนใช้เขาไปถึงที่วัดก็ผลตอกลัมาแรงมากพอเข้าไปในวัดก็เห็นมีแต่พระท่านเปื้อรื่องผ้าอาบน้ำผมกันเพราะท่านไม่มีผ้าผ้าไว้เปลี่ยนผ้าใส่ผ้าพรงอาบน้ำ ไปก็เปลี่ยนพออาบเสร็จแล้วก็ไม่มีผ้าให้ไให้ผัดก็เลยเรื่องผ้าไม่ได้ส่ผ้าอาบน้ำฝนการแจ้งกันเออเพื่อนชายสาวชายไปเห็นเขาก็ตกใจรีบิ่งกลับไปรายงานให้นางวิสาขาบอกว่าตอนนี้ที่วัดไม่มีผ้าหรืออยู่เลยมีแต่พวกชีวเตย <c oughs> <laughs> มามายึดครองแต่นางวิสาขาก็เข้าใจ ก็เลยไปกราบทูลขออนุญาตผู้เจ้าขอถวายผ้ามันฝนเมื่อพระสงฆ์ได้มีไว้ใช้ในเชื่องให้ดูฝนเวลาที่อาบงานจะได้มีผ้าไว้ขัดนี่คือการความเป็นงานของเรื่องถวายผ้ามีฝนส่วนเรื่องถวายผ้าสักเทียก็อย่างที่ผู้ในทางพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าพระพิเศษท่านลาบากลำบานเรื่องผ้าเพราะไม่มีการถวายผ้าเป็นกิจกรรมศักษิ์ ท้าในคนละก่อนต้องหาการตามปาชา้าผ้าของศิถ้าที่จะเึ่งไว้ตามกองขยะได้มาก็เป็นผืนเล็กผืนน้อยสะสมกันไวพอได้จำนวนมากพอก็เอามาปะเอามาต่อเอามาแยกเป็นผืนนใหญ่ผ้าของทั้งสองทุกวันนี้จึงจึงจึงจะเห็นว่าเป็นผ้าที่มีมีรายเหมือนกับทำนา คือจะไม่ได้เป็นผ้าเรียบๆผืนเดียวจะเป็นผ้าที่เล็กๆมามาต่อกันคือเนื่องจากที่หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตให้มีการถวายผ้ากระดิ่งแนะก็มีคนถวายผ้ากันว่าถวายผ้าเป็นพักทับเลยทีนี้พระนองก็เลยสงถามพระพุทธเจ้าว่าตอนนี้ได้ผ้าอย่างเป็นพักมาเป็นเป็นเป็นผืนใหญ่ๆนะจะให้ศาสตร์เย็บจีรองของผ้า อย่างไรพระพุทธเจ้กาก็ทรงบอกว่าให้ตัดแบแบแบบแบบันนาแบบนาที่ชาว บ, บ้านเขาถ่ายนา้าจะเป็นล็อกๆเป็นเป็นช่องๆไปก็เลยที่รอนของพานทุกวันนี้ได้เรียนสังเกตโดยการเห็นว่ามันไม่ได้เป็นผ้าเนื้อเดียวผืนเดียวแต่เป็นผ้าชิ้นๆตัดามามามาเย็บต่อขึ้นมานี่ก็เป็นขันที่รอนยนุ่น อย่างสามนี้ก็เป็นจีวรห้าขันจะมีห้าห้าห้าแถนด้วยกันแต่พระสามท่านจะนิยมเก้าขันท่านจะให้ขันมันเล็กลงแล้วก็เอาแค่เอาให้ได้เก้าขันเรื่องการถวายผ้ า, ากระถินนี้พระ อ, องค์ทรงมีความาระวังไม่อยากจะให้ญาโยมและพระต้องมาวุ่นวายกับเรื่องการถวายผ้า ให้มากเกินเกินไปทรงให้ถึงทรงมัญญิให้มีเวลาถวายผ้ากระถิ่นด้เเียงเวลาหนึ่งเดือนคือตั้งแต่วันออกพรรษาวันวันขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสิบถึงวันขึ้นสิบสองวันขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสิบสองวันนีเป็นวันลอยกระทงนั่นคือเป็นวันสุดท้ายของการที่จะถอยผ้ากระถินยาวแล้วผ้ากระถินที่จะถวายนี้ก็ต้อง วัดหนึ่งก็จะรับได้คืองครั้งเดียวพระที่จะรับกระถินได้ก็ต้องอยู่จำพรรษาตลอดเวลาสามเดือนและจะต้องมีพระอย่างน้อยห้ารูปขึ้นไปในในวัดในอารามนั้นถึงจะมีมีสิทธิ์ที่จะรับผ้ากะถินได้องบัญญาติไว้หลายอย่างเพื่อจะได้เป็นเป็นเป็นเงื่อนไขไม่ให้ไม่ให้เราทําอะไร มากเกินไปและผ้าที่ได้ถวายในวันนั้นก็ต้องเป็นผ้าผ้าขาวที่ยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้เย็บแล้วพระก็ต้องเอาหลังจากที่ได้รับถวายมาแล้วก็ต้องมาช่วยกันตัเดเย็บผ้าผืนใดผืนหนึ่งในผ้าใบสามผืาา 3, นจะเป็นผ้าสบองก็ดีผ้าจีวรก็ดีหรือผ้าสังขารติก็ดีก็จะเอามาช่วยกันตัเดเย็บแล้วพระจะยอม สากให้แห้งให้เสร็จภายในวันนั้นเราจะได้มีการกาบกระถินมีทำพิธีการกรถินคือหลังจากที่ตัดเย็บเสร็จเรียบร้อยพระคุณรองเสร็จเรียบร้อยสากแห้งแล้วพระสงฆ์ก็จะมาประชุมรวมกันแล้วก็มาอนุโมทนาแสดงความยินดีกับพระที่ได้รับผ้าผ้าผืนนั้นไปครอง จะเป็นพระที่ไม่ได้ถวายโดยตรงให้กับพระทิกษสื่อุนอรุ่ใดมันถือว่าเป็นเป็นสังฆฐานเป็นไม่เจาะจงญาติโยมจะกำหนดว่าขอถวายพระกระถิ่ถึงนี้ให้กับพระรูปนั้นรูปนี้ไม่ได้ต้องถวายให้เป็นของสงฆแล้สงฆ์จะทำพิธีอุ ป, ปโภคมีพระหีบสี่รูปด้วยกันแทนก็จะอุ ป, ปโภคกำหนดคุณสมบัติของพระที่เหมาะสมต่อ การที่จะรับผ้านั้นเป็นทอนซึ่งโดยปกติก็จะมีสันทานติให้ถอยให้กับพระถึงขั้นที่เป็นที่้อวิสุธิเนือวิสุทิสูงสุในในอาวัตันด้วยความเคารพแล้วก็ด้วยความที่ท่านเป็นผู้ที่มีมีมีคุณธรรมสูงกับาพระรูปอื่น โดยบริพระเพราคุใหญ่จะเป็นเช่มนั้นครูบาอาจารย์ที่เราที่เราไปกราบไหว้ท่านเราจะเป็นเป็นพระเพราเป็นพระอาวุโสเั็นอาวุโสด้วยด้วยวัยวุฒิและด้วยคุณธรรมา <c oughs> การถวายจะถงจึงเป็นงานที่สำคัญคือทำให้เกิดความสามัคคีกลองดอน ทำให้เกิดมีความขยันเพรา ะ, ะทุกคนจะต้องช่วยกันพ น, นละม้าคนเลยเพื่อที่จะทําใหเ้เกิดคือการเป็นตัดเย็บผ้านั้นให้เสร็จภายในวันเดียวทุกคนจะได้รับโอกาสที่ได้ได้ร่วมกันร่วมงานกันถ้าเป็นการจำเป็นวิริยะปลาเมีองผ้าเปลียนแล้วก็ร่วมกันเสียสละ อยากจะทํางานตอนนั้นก็ต้องวางปล่อยวางไว้ก่อนท่า น, นมาช่วยกันทํางานสําคัญนี้ให้สําเร็จโดยทั่งไปแล้วก็ส่งกำลังให้ให้ให้ให้มีได้เพียงเดือนเดียวใ น, ในเวลาเดือนเดียวเพื่อจะได้ไม่จะได้มีเวลาไปทําอย่างอื่นเพราะงานหลักของของนักบวชอยู่ที่การศึกษาและปฏิบัติ ไ ส, สิขาคือสีสมาธิและปัญญาถ้าปล่อยถ้าไม่มีให้ไม่มีกำหนดก็จะมีการถวายกระถินกันไปทั้งปีเดี๋ยวคณะนั้นก็มาถวายคณะนี้ก็มาถวายก็ไม่ต้องทำอะไรมาโมแต่รับถวายแล้วก็มานั่งตัเดเย็บผ้ากันแต่ก็มันก็มีทางช่องออกไปได้เมื่อถวายกระถินไม่ได้ก็ถวายผ้าต่างกันแทน กรนิยมถวายภาพป่ากันถ้าภาพปฏิบัติแล้วท่านจะไม่ค่อยไม่ค่อยเอาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องการเรื่องราวแบบนี้เท่าไหร่แตยาพอท่านตัดเยกก็บจีวรเสร็จเรียบร้อยแนละ้วท่านก็จะแยกายก า, าว ย, วยกันไปสวายหาที่ฤเวกันกันเป็นอยู่กันมาสามเดือนก็ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาจากครูอาจารย์พอสมควร เมื่อถึงเวลาออกพรรษาแล้วก็จะกระจายกันออกไปหาที่อยู่ไว้ถ้าการปฏิบัติถ้าได้อยู่คนเดียวจะสะดวกกว่าที่จะอยู่ร่วมกันเพราะอยู่รวมกันแล้วมันมีความมีภาระรับผิดชอบต่อกันด้วยยิ่งถ้าอยู่ในสำนักครูบาอาจารย์ที่ทายาอยู่จัดชายาอยูมามาเกี่ยวข้องด้วย ก็จะมีภารกิจมากต้องคอยกวาโคอยถีสาลาคอยทำอะไรต่างๆหลายอย่างก่อนจะเสร็จิจการฉันวันหนึ่งก็ล่อไปหลายชั่วโมงเก้าโมงสิบโมงถึงจะเสร็จถ้าไปตื่นแย่งอยู่องเดียวสององเวลาไปบินบาตกับจัดจัดบินบาตก็จัดอาหารใส่บาตฉันกันภายในครึ่งชั่วโมงก็ ชันเสร็จแล้วเจ็ดโมงครึ่งเก้า เ, งงนนเรียบร้อยแล้วกลับเข้าเดินเข้าทางสป็นคมเดินเดินเป็นคงนั่งสมาธิ ไ, ได้ไม่มีภารกิจอย่างืแต่ถ้าอยู่ในวัดมันก็ต้องมีการคอยเก็บคอยกวาดคอยทาอะไรต่างๆให้มันเรียบร้อยดังนั้น เ, เรื่องการถวายกระถิ่ก็เป็นการแค่ว่าปีหนึ่งก็ทํำกันคนหนึ่ง เพื่อจะได้เปลี่ยนผ้าผ้าผ้าเก่าขาดนวก็ถ้าคิดว่ามันจะไม่ทนไปถึงถึงกระถิงหน้าก็ตัดแ ย, ยกกันตอนนี้เลยตัดให้เสร็จเปลี่ยนผ้าอะไรที่จำเป็นให้เสร็จเพว่าบริหารทั่วแน้วก็แยกทางกันไปในภาวานา มองหลวงปูมาก น, นี้ได้ทราบว่าท่าน่านปฏิบัติอย่างนี้มาตลอดเราตรกติร้าพระาพาจะไม่มีโอกาสได้อยู่กับมาราวกับท่านคือ ไ, ไม่ได้อยู่กับท่านมากมารสาวเพราะท่านจะไม่อยู่กับที่ถ้าอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวท่านก็ไปถ้ามีใครมาม า, มากๆ ม, มาเกี่ยวข้องกับท่านเดี๋ยวท่านก็ไปล้ว่าจะจับายธาท่าน แต่ในพรรษานี่ท่านไปไม่ได้เพราะทัานอยู่กับที่ปาหเบี้ยช่วงนั้นก็จะเป็นโชคของพระลูกชายที่จะแจอท่านในช่วงนั้นเข้าและท่านก็อนุญาตให้อยู่ด้วยเราจะได้อยู่ทำพรรษาได้ศึกษาทำกับท่านพอภาษาแล้วท่านก็ไปแล้วสมัยนั้นก็ไม่มีการถวายกระถึงเพราะว่าท่านอยู่ในป่าไม่มีใครไ ม, ไม่มีใครรู้จักท่าน ท่านตายเพื่อภาวนาจริงองานหลักของพระคืองานงานชำระกายวาจาใจด้วยสีสนิสธิปัญญาเพื่อการเลือกเพื่อความหุขสมเพื่อมรักผลนิพพานมรักผลนิพพานก็อยู่ที่ใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่ได้รับการชำระจนไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยากต่างๆแล้วใจนั้นก็เป็นนิพพาน คำวินิจันก็เป็นพียงแต่คล้ายๆเหมือนกับคําที่เรากําจัดความถึงสภาพของจิตนั่นเองความจิตที่สะอาดบริสุทธิ์นั้นก็เรียว่าวินิพานอีกิตที่มีบุญก็มีแบ่งแต่งขัานกันขั้นของมนุษย์ก็ท่านท่านของเทพก็ท่านหนึ่านของพระพระขั้นท่านของพระอริยบุคคลต่างๆก็ท่าน คำว่ามนุษย์คำว่าเทิดคำว่าโสมคำว่าพระอริยะบุคคลก็เป็นเป็นความเป็นคำจำกัดความว่าจิตแบบนี้มีลักษณะแบบนี้เป็นอย่างไรเช่นเป็นมนุษย์ก็มีสี่ห้าเป็นเพื่อถ้าเป็นเทิดก็มีสีห้ามีเฮเโอตปะถ้าเป็นโสมก็มีสี่ห้ามีเฮเโอตปะแล้วก็มีฌานมีสมาธิ ถ้าเป็นพระโสดาบันก็มีดวงใจนินทานเพื่อมีวิปัสสนาเพิ่มขึ้นไปด้วยจากจากมีศีลมีมีเทวปฏะมีสมาธิแล้วก็ต้องมีวิปัสสนามีปัญญาคือเห็นว่ามีการเกิดดับเป็นธรรมดาของสภาวะธรรมทั้งหลายเช่นร่างกายของเรามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป ผู้ที่เห็นแลาก็จะไม่ยึดไม่ติดจะปล่อยวางไม่มีความรู้สึกเดือดร้อนกับความเป็นไปของร่างกายร่างกายจะแก่ก็รู้ว่ามันต้องเป็นไปอย่างนั้นร่างกายจะเจ็บจะตายก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็รู้ว่าผู้ที่รู้กับร่างกายนั้นก็ไม่ใช่เป็นเสียงเดียวกันผู้ที่รู้ก็เป็นอย่างกับกระจกส่วนภาพที่นั้นกระจกนั้นยังไม่ได้เป็นออกระจก ภาพในกระจกเช่นภาพของเราเวลาที่เราส่องหน้าดูกระจกวันนี้เราหน้าตาอย่างนี้ผิสิบปีแล้วก็หน้าตาก็เป็นอีอย่างอีกห้าสิบปีมันก็เป็นอีอย่างมันก็เปลี่ยนไปแต่กระจกที่ส่องภาพสะท้อนภาพของหน้างกายนั้นก็ยังเป็นกระจกเหมือนเดิมอยู่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเอน่างไรจิตก็เป็นเช่นั้นจิตก็เป็นเหมือนกับผู้รู้ผู้ที่รับรู้ ความจริงของสิ่งต่างๆที่มาปรากฏผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นากาย่อสัมผัสรับรู้ไปถ้าผู้รู้เป็นผู้มีความหลงมีโมหะมีอวิชชาก็จะเป็นหลงไปติดกับสิ่งที่มาปรากฏในสภาพว่าเป็นตนเป็นของของตนขึ้นมาเช่นเห็นร่างกายร่างนี้ก็ว่าเป็นตนเป็นตัวเราเป็นของเรา แล้วพอได้อะไรมาครอบครองก็จะยึดว่าเป็นของของตนไปเมื่อมีการยึดติดก็เกิดอุกตกระเกิดความอยากเกิดปัญหาความอยากอยากจะให้สิ่งที่ตนมีครอบคร อ, อ, องนั้นอยู่ไปานานๆให้ความสุขของตนไปานานๆแต่โดยธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือเป็นบุคคล ก็อยู่ภายใต้กฎของความแน่นิ่งแน่นอนคือกฎของอนิจจังมีการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาที่ร่างกายของเรานี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวินาทีทุกขณะเพียงแต่การเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เป็นไปอย่างรวดเร็วไม่เหมือนกับดอกไม้ที่เราตัดมาจากต้นเวลาที่มันบานสัตว์ทั้ง พอปรัปากไว้ เ, เน่เจอกันได้านไม่กี่วันมันก็เฉาเหี่ยวไปแต่พอเรากว่าจะเชฉาจะเหี่ยวไปได้นี้จากสาวจะมาแก่นี้ก็ต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยกันยังเลยรู้สึกว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงทุกขณะแต่ละวันที่เราส่องหน้าเราดูกระจกในหน้าในกระจกเราจะรู้สึกว่าเราก็เป็นหน้าเดิม แต่ถ้าเราไปเอาลูกถ่ายที่เราถ่ายไว้ทั้งไม่กี่ปีที่แล้วมาดูมาเปรียบเทียบดูกับวันนี้เราก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันจนเป็นเหมือนกับเป็นคนละคนเลยนี่คือความความเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าอนุจังของของร่างกายหรือของสิ่งของต่างๆก็แบบเดียวกันเสื้อผ้าที่เราซื้อมาใหม่ๆมันก็ดูสดใส เราใส่ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จางาไปใช้ใส่ซักไ ป, ไปมันก็จางมันก็บานไปใช้เป็นนานเดี๋วมันก็ขาดเพราะนีคค่คือคือคือความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนีนนน้มันเป็นการเกิดขึ้นมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปและในที่สุดก็หมดสภาพไป นี่คือคือเรียกว่าวิปัสสนาถ้าเราพิจารณาคว า, ามเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วเราจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆที่เรามีครอบครองไว้อยู่แล้วเราจะมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปถ้าเราไม่ได้พิจารณาเราไม่รู้เราก็จะหลงเราก็จะอยาก ให้อยู่ไปน า, นานอยากจะให้อยู่กับเอง เ, เป็นานๆไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นวัตถุสินของตา่างๆซื้อมาแล้วซื้อของมาแล้วก็อยากจะให้ใช้กไปเรื่อยๆไม่ต้องไปซ่อมไม่ต้องไปไปไ ป, ไปแก้ไขแต่ใช้ไปเรื่อยๆแล้วไม่นานนั้นก็ต้องก็ต้องเข้าเข้าอู่ซ่อมกันเชื่อรับยนเรื่องของใช้ต่างๆก็ๆเป็นอย่างนั้น ถ้าเรารู้ถ้าเราเตรียมตัวไว้เตรียมใจไว้้าไม่เสียก็ไม่เสือดร้อนอะไรเท่านั้เราซื้อรถาแล้วก็รู้ว่าเดี๋ยวต้องเข้าอุ่นเราก็เตรียมเงินไว้เตรียมไว้สำหรับออกไปก่อนเราใช้ไปสักข้าง่งปีแล้วก็รู้ว่ามันจะเสื่อมจะหมดสภาพแล้วก็ขายมันล้วก็เปลี่ยนรถทำใหม่กันก็ไม่มีปัญหาอะไรร่างกายเราก็เหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งถ้าเรามองร่างกายเราเหมือนรถยนต์คันหนึ่ง เราก็จะไม่มีความกังวลกับความเป็นไปของร่างกายเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายมันจะต้องเข้าอุ้งซ่อนก็เข้าไปไปโรงพยา บ, บาลไปหาหมอไปหาอยู่หายาให้ซ่อนไปเมื่อซ่อมไม่ได้ก็นลี่ยงทํางานก็ป่อนเงินไปใจก็ไม่ได้ไปแม้ใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายใจก็เป็นเหมือนกับเจ้าของนวดเจ้าของร่างกาย ถ้าเป็นเจ้าของรถก็ไปหาซื้อรถใหม่ถ้ามีเงินมากกว่าคาวที่ซื้อรถคันนี้คันเก่านี้ก็จะซื้อรถคันใหม่ที่ที่ดีกว่าได้เช่นใครขับรถโตโยตา้าตอนนี้รวยกว่า่อนนี้ก็อาจจะซื้อรถเป็นมาขี่ไปได้จายก็เหมือนกันจายก็มีฐานะเหมือนกันฐานะทางการเงินของจายก็คือบุญกุศล ถ้ามีบุญคุณ ม, มากก็ถือว่ารวยมากเช่นคือว่าถ้าตายไปก็ตายไปแล้วก็อาจจะได้ไปเกิดเป็นเทศเป็นคนมหรือว่าถ้าได้บรรลุเป็นพระโสดาบันก็จะได้ไปเกิดเป็นพระอริยบุคคลต่อแล้วก็มีภพชาติที่เหลือน้อยหนึ่งเช่นพระ พระโสดาบันนี้มีภพชาติเหลือเพียงปุจชาติชาติเป็นภพชาติที่อยู่ในสุคติคือไม่ต้องไปใช้กรรมเก่าในอบายไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉ า, านแม้จะได้เคยทําบาปทํากรรมมามากน้อยเสิงง้นไหวต่างฐานะของพระโสดาบันนี้จะไม่ตกอยู่ในกรมกว่าท่านของมนุษย ตะมีภกชาหลือไม่เกินเกิดชาเป็นอย่างมากถ้าเร่งปฏิบตัติอาจจะบรรลุในชาตนั้นเลยก็ได้เช่นพระอริยะบุ ค, คลต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังในสมัยพุทธกาลก็สามารถบรรลุขั้นอริยะต่างๆภายในชาติเดียวจากพระโสดาบันก็ขึ้นเป็นพระสกิทาคามนีนเป็นพระอนาคามนีน แล้วก็เป็นพระอาหารไปในที่สุดถ้าบรรลุเป็นพระอรหารแนละ้วจิตก็ไม่มีเชื้อที่จะส่งจิตให้ไปเกิดในชาติทตัง้งสามต่อไปก็เป็นถ้าจะเรียกว่าชาติก็เป็นนิพพานเป็นชาติสุดท้ายเป็น น, นิพพานนี้เป็นที่ไม่มีการเกิดไม่มีการดแบบับไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือสภาพจิตนี้จะ เป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกับเสื้อเหมือนกับผ้าขาวสะอาดมันจะไม่มีหัวหมองจุดของของของผ้าลรหันก็จะเป็นอย่างนั้นไม่มีความโลภความโกรธความหลงที่จะเป็นตัวผลักดานให้ไปเป็นเป็นเป็นสัตว์โลกภูมิใดภูมิหนึ่งนี่คือเป้าหมายของ ผู้ที่เข้ามาสู่ทาพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นฆราวาสญาบโยมหรือจะเป็นพระพิุรนักบวชก็มีเป้าหมายอันเดียวกันคือมักผลพผานตั้งแต่พระโสดามันตึ้งไปจนถึงพระอาหารหันเป็นสิ่งที่ที่คนมีสิทธิ์ที่จะไปถึงได้ เหมือนกับการเหมือนกับนักเรียนที่เรียนในมหาวิทยาลัยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนจบปริญญาได้ตั้งแต่ท่านตรีโทเอกขึ้นไปแต่อยู่ที่นันกเรียนนั้นเองว่าจะเรียนจบหรือไม่แล้วจะเรียนได้สูงถึงท่านไหนบางคนก็เรียนแค่จบปริญญาตรีก็พอแล้วออกไปทำ ง, งานบางคนก็เรียนต่อท่านโทท่านเอกไป อยู่ที่แต่ระบุคคลที่จะควายคว้าเอาไม่มีใครที่จะมาควายคว้าแทนเราได้แต่โดยหลักแล้วถ้าใครได้เข้าสู่กระแสะแห่ ง, งพระนริยานคือตั้งแต่ท่านเสดาบันไปแล้วก็จะเป็นเหมือนกับไฟที่มันจะไม่ไปเรื่อยๆตามใดที่มีเชื้อให้มันไอ ย, อยู่ เพราะการปฏิบัตินั้นเมื่อมันได้ถึงขัง้นนึ้นแล้วมันก็จะเกิดฉันทะวิริยะเกิดความยินดีเกิดความพอใจที่จะปฏิบัติไปให้ให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนไปจนเี่ไม่มีที่จะไปต่อไปเพราะงั้นการที่เราได้เข้ามาสู่ศาสนาเราก็ต้องเข้าใจว่าเรามีหน้าที่ทําอะไร โดยหลังพระพุทธเจองค์ก็ทรงวางขั้นตอนของของการศึกษาของการปฏิบัติไว้เป็ น, นขั้นๆเป็นขั้นแรกท่านให้ศึกษาพระธรรมคำสอนเรียกว่าปริยัติธรรมเชนการฟังเทศน์ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์หรือการอาร่านหนังสือธรรมะต่างๆจะเป็นหนังสือคําสอนของครูบาอาจารย์ก็ได้หรือหนังสือที่ มีที่คัดออกมาจากพระตัณฑ์กิเก็ได้ขอให้เราศึกษาให้รู้ถึงแนวทางที่เราจะต้องเดินต้องปฏิบัติเหมือนกับการศึกษาแผนที่เราต้องรู้ว่าเราจะเดินทางไปจุดหมายปลายทางนั้นจะต้องเดินไปทางไหนจะไปทางเหนือไปทางใต้หรือไปทางไหนเราก็ต้องดูแผนที่ก่อนถ้าเราไปแบบไม่มีแผนที่ เราก็จะหลงทางจะไปไม่ถึงที่เราต้องการจะไปได้นี่คือขั้นแรกคือการศึกษาการได้ยินได้ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆเมื่อเราเดือนหนึ่งก็มาเข้าวัด ก, กันมาที่มี่สักครั้งหนึ่งหรืออาจจะไปที่อื่นเป็นประจำทุกอาทิตย์หรืออยู่ที่บ้านก็เปิดฟังธรรมะที่มากางสื่งต่างๆ แต่นี้เราเรียกว่าเป็นการศึกษาหานะความรู้ศึกษาดูแผนที่ให้รู้ทิศทางที่เราจะต้องเดินทางไปถ้าเราฟังเทศฟังธรรมของครูบาอาจารย์อยู่เรื่ยเรื่ยเราก็จะรู้ว่าหน้าที่หลักๆก็คือการทํำยุ่งให้ทางการบริจาคสิ่งของเงินความต่างๆที่เรามีอยู่ที่ไม่มีความจําเป็นกับเราเป็นส่วนเกิน เราเสียไปเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเกิดไว้ก็ไม่เกิดประโยู่อะไรกับเราเราก็เอามาแจกจ่ายเอามาช่วยเหลือเพื่อม น, นุษด้วยกันที่เดือดร้อนเป็นการชำระจิตใจในระดับหนึ่งได้ชำระส ก, กัดความโลภให้น้อยลงชำระความเห็นแก่ตัวคือความเหลือ่อชำระความตนันหนงคือความยึดติดอุปทานในสิ่งของต่างๆ นี่ก็เป็นขั้นแรกที่เราจะต้องปฏิบัติคือการทำดีให้ทางขั้นที่สองก็คือการรักษาสิ่และเล้นจากการกระทำบาปต่างๆเพราะการกระทำบาปจะทำให้จิตใจมีความทุกข์มีควา ม, มวามมุ่นวายใจแล้วก็จะถึงไล่ให้ไปทางไปผิดทางีแทางที่จะขึ้นกลับเดินลงกันใีทางที่จะไปทางเหนือกลับเดินไปทางใต้ คนที่จะไปทางสู่มัคคุนิพานนี้จะต้องละเว้นจากการทำบาปทั้งปวงละเว้นจากการฆ่าสัตว์ชีวิตรักษากเ ศ, ษ ศ, ศรษฐติจตัวเองดูดฝนเม้นอแกเสื่อมวัยมและอวัยะนิตตต่างแล้วก็ให้ควาวนาภาวนานก็มีอยู่สองระดับคือสมมาคุลิส ม, สมถะคือความสงบแล้วก็วิปัสสนาคือ ความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงของสภาว่าธรรมทั้งหลายที่จิตไปเกี่ยวข้องด้วยการทําความสงบเรื้องต้นก็คือคือต้องทําให้จิตให้นิง่งให้หยุดคิดตึงให้ได้ถ้าจิตไม่หยุดคิดไม่ไม่หยุดตงึงเราจะไม่สามารถควบคุมบังคับจิตให้คิดต่อไปตามทางที่เราต้องคิดได้ เราจะเสนอวิจารณ์จะให้พิจารณาดูอ น, นิจจังทุกขังในเรื่องต่างๆร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีมันจะคิดได้เพียงล้านเดียวแล้วก็จะถูกติเล่ควาโลกความหลนดึงไปคิดถึงเรื่องที่ผูกพันอยูไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการเงินการทองหรือสมบัติเท่าของอะไรต่างๆ ที่ตัเอนมีความถูกพันมีความยึดติดอยู่ติดของเรามักจะคิดถึงเรื่องราวเหล่ า, านั้นแต่ถ้าเราสามารถเบรกหรือหยุดจิตให้คิดแาวด้วยการทำสมาธิเป็นสามาธะภาวนาเวลาจิตหยุดคิดแล้วต่อไปเวลาเราจะหยุดมันง่ายเพราะเรามีจักหยุดมันลวเมื่อก่อนนี้ตอนที่เรามีตอนที่เราจะภาวนสาสมาะภาวนาเป็น เราจะไม่รู้จักหยุดติดใจของเราเวลาคิดเรื่องอะไรก็เคิดไปทั้งนั่งที่นิ่งคิดก็นิ่งทุกก็ยังคิดอยู่นั่นคิดจะนานไม่กินไม่ได้รอนไม่หลัก็คิดอยู่นั้นพ่าไม่รู้จักวิธีหยุดมันเหมือนกับขับรถรู้แต่คังเรื่องการไม่รู้ว่าเบรกอยู่ตรงไห น, นพอถึงสี่แยกจะต้องเบรกก็เบรกไม่ได้ก็รี้แต่ว่ามีแต่ทางเรื่องอย่างเดียวรู้จะเหยียดแต่ทางเรื่อง มันก็พุ่งไปเรื่อยๆชนท่านนั้นชนรถท่นนั้นชนรถท่านนั้น แ, นนแตกท้องตกหัวตั้งแต่ว่าจิตมันไม่เป็นรถยนต์มันแม้จะทุกข์จะเจ็บทรมานเท่าไหร่มันก็ไม่ถูกกันลอยไปพอมันพื้นมันหาจากความทุกข์ความเจ็บมันก็กลับมาคิดมาฟุ้งมาร่ายความทุกข์ให้กับตัวเองอยู่เรื่อยไปสังเกต ด, ดูแล้วเคยทุกข์ขนาดไหนเสร็จแล้วมันก็ผ่านไปพอผ่านไปเมื่องานแล้วก็กลับมาทุกข์อีก ก็บางทีก็กลัมาทุกข์กับเรื่องเดิมๆอีกแต่เราไม่จำกันคือไม่ไม่เฉลียตอนต้นก็เสียใจได้เสียใจว่าสูญเสียสิ่งที่ตนเอรักไปพอเวลาผ่านไปนนสักระยะหนึ่งแล้วพ อ, อหายทุกข์แล้วก็ไปหาสิ่งใหม่มาให้ทุกข์อีกเสียคนนั้นไปอ่ะก็ตายไปแล้วก็ทุกขไประยะหนึ่งพอลืมเขาแล้วก็หาคนใหม่มาต่อแล้วก็มาทุกข์มัน แต่ไม่รู้จักเบรไม่รู้จักหยุดเราจึงหยุดไม่ได้เราจึงหยุดความโลภหยุดความโกรธหยุดความหล่งเช่ไม่ได้ถึงแม้เราก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่เราหยุดไม่ได้เหมือนคนที่ติดยาเสพติดเขาก็รู้ว่ายาเสพติดเป็นโทษกับเขาแต่เขาหยุดไม่ได้เพราะเขาหาเบรคไม่เจอหาเบรคใจไม่เจอเจอแต่คันเรื่องของใจคือความอยากความโลภนี่เป็นตัวเร่งตัวเร่งให้จิต ไปคิดไปปรุงไปหาสิ่งต่างๆมาสนองความต้องการแต่หาตัวตัวเบิดไม่เจอหยุดใจไม่ได้การทําสมถะภาวนานก็คือการการสร้างหรือการติดเบิดให้กับใจนั่นเองหรือหาเบิดในใจให้เจอถ้าเราเจอเบิดนี้แล้วที่เราสบายละ น, น้อยที่สุดเราก็รู้จักยับยัง้งบางทีเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราควรจะยับยั้งเป็นอะไร ถ้าเราไม่แน่ใจเราก็เราก็อยากยาปาั่นเราก็อยากจะทําอย่างว่าเราเบรกได้แต่มันไม่พอสมารถะคือเบรกใจได้ ไ, ดไม่พอเพราะยังไม่ฉลาดใจยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษก็ต้องอาศัยการเจริญวิปัสสนาในลําดับขั้นต่อไปเพราะปกติเวลาทําสมาธิแล้วจิตสงบ น, น, นมันจะโล่งมันจะสบาย มีความฝึกแต่มันจะอยู่ไม่นานแล้วมันก็จะถอนออกมาพอถอดออกมาความโลภมันก็เริ่มทำงานความโกรธความหลงก็เริ่มทำงานมันก็จะกลับไปหาสิ่งที่เรามีเกี่ยวข้องอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานการต่างๆบุคคลต่างๆเร า, า, า, าก็จะกลับไปคิดปรุงเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้น แล้วถ้ามีความหนุนเข้ามาก็จะคิดตรตงไปตามความต้องการทั้งตนอยากให้เป็นอะไรก็อยากก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นให้ได้ไม่อยากให้เป็นอย่างร้รก็ไม่ก็พยายามที่จะทำไม่ให้มันเป็นให้ได้โดยไม่ยึดหลักของความเป็นจริงว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่เช่นไม่อยากให้แก่ของมันมันเป็นไปได้ไหมคนบางคนไม่ยอมคิดตัวหลักความเป็นจริง พยายามรักษาความหนึ่งความสาวของตงนไว้ด้วยวิธีการต่างๆแต่ใ น, นที่สุดมันก็มันก็สู้ไม่ลด้สู้ความจริงไม่ได้แต่ก็ไม่ยอมไม่ยอมรับความจริงนี้แต่ขนาดไหนก็ยังขอให้ได้แต่งหน้าตาให้ได้ทําผมให้ได้แต่างชุดเฉยๆงามๆนี่จะเป็นสภาพของการที่ไม่ยอมรับความจริงแล้วก็ทิ้งกับมัน แต่ถ้าเรายอมรับกับสภาพความจริง น, นี่นี่คือวิปัสสนาแล้วว่าเรารู้แล้วว่าความจริงคืออะไรเรารู้ว่ามันเป็นอนิจจ์ร่างกายนี้มันมันไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนจากเด็กเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่เป็นคนสึงอายุเป็นคนชราแล้วก็เป็นคนตายอย่างที่สุดถ้าเราข้ามสอนใจเราอยู่เรื่ยอยพิจารณาดีอยู่เนี่ย อย่างนี้เรียกว่าเป็นการเป็นวิปัสสนาเป็นการสร้างปัญญาปัญญาทางจากปัญญานี้ก็คือการเห็นอนิจจังทุกขงาาังอนัตตาในสภาวธรรมต่างๆนั่นเอเห็นว่าร่างการนี้มีการเฉื่อยไปเป็นธรรมดาเห็นว่าร่างการนี้มีความทุกข์เพราะความเสื่อย น, นี้ไป พอเวลาเราแก่แล้วเราก็รู้สึกไม่สบายใจไม่มีความสดใจเหมือนกับความที่เราเป็นเป็นสาวเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ตัวเราก็เป็นทุกข์เห็ใจก็เป็นทุกข์ทุกว่ากลัวว่าจะไม่หายกว่ากลัวแล้วจะต้องตายแต่ถ้าเราได้พิจารณาอยู่เรื่อยๆว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นทักวันนีน้ไม่ช้าก็เลยแผลเป็นเส้นที่เกลือจะไม่ค่อยชอให้จิต เราพิจารณาเองเราจรึงต้องพยายามถ่มความรู้สึกว่าเวลาเราพิจารณาเรื่องราวแบบนี้มาจะรู้สึกมีความขัดขืนใจฉะนั้นไม่ค่อยชอบไม่เหมือนกับคิดถึงเรื่องการแต่งตัวเฉื่อยทํางานการใส่เสื้อผ้อาอภรรยเสือเส่อยทํางานอะไรอย่างนี้แจะชอบแต่ทางด้านเสวยงานด้านความเจริญ แต่ไม่ชอบคิดถึงเรื่องความเสีอ่อมเรื่องของความไม่สวยงามเชื่องอสุภะความไม่สวยงามแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของของความสวยงามมันเป็นเหรียญเหรียญเหรียญที่มีสองด้านมีเหรียญมันไม่ไช้มีด้านเดียวอย่างใดชีวิตของคนเราก็ไม่มีด้านเดียว ม, มันไม่เจริญอย่างเดียวมันก็ต้องมีความเสีอ่อมเป็นส่วนที่ตามมา ถ้าเราไปหลงติดอยู่กับความเจริญเราก็จะเกิดความทุกข์ใจเวลาเกิดความเสื่อมตามมาแต่ถ้าเราศึกษาไว้เรื่อยๆเตรียงตัววว้ยักกับสภาพเหตุการณ์ว่ า, าต่อเราเราจะต้องเสื่อมนะเราจะต้องแก่เราจะต้องหนังเหี่ยวย่นมีผมขาวแม้จนแต่คนแกะะ่ก็เราเห็นอยู่ทุกวันแล้วในที่สุดวันหนึ่งเราก็ต้องตายกัน ถ้เราพิจารณานย่รยเรื่อยๆแล้วก็จะดับความทุกข์ในใจได้เข้าใจไม่ได้แก่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเป็นการความหลงความอยากทําทให้ใจอยากจะให้ร่างกายนัย้นอยู่กับใจไปตลอดไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้ตายถ้าพิจารณาอย่าเรื่อยๆแล้วจำถึงมันจุดอื่นตัวแล้วยัง จ, จะเกิดความรู้สึกที่คิกไปที่จากความกลัวกลายเป็นความกล้าเน่ เพราะมันปล่อยมันวานมันตัดได้เหมือนกับเราเคยอยากจะได้บางอย่างนี้เราจะมีความกัวงวลใจว่าจะได้หรือไม่เขมเดียจะเอาไปหรือเปล่าคิดอย่างนั้นเนี่ยแต่ถ้าเราตับสินใจว่าไม่เอาละใครจะเอาไปาก็เอาไใจเราจะโล่งขึ้นมาทันทีหมดปัญหากับสิ่งนั้นไปเลยร่างกายก็เหมือนกันเราต้องคิดยังงางทาง่านตัดกันได้ อย่าไปหวังอะไรจากมันอย่าไปหวังไม่ให้อย่าไปหวังให้มันอยู่ไปตลอดอย่าไปหวังไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าไปหวังว่าไม่ให้มันแก่ถ้าเราตัดความหวังความต้องการามันี้ได้นะใจเรา จ, จะโล่งเนี้องการจะเป็นอะไรก็จะไม่สกปรกทานและไม่ต้องมาเหนื่อยมันคอยต่อสู้กับความเจริด้วยวิธีการต่างๆ ในการหาเครื่องสาอางหาอะไรต่างๆมามาคอยปกปิดความความชราน้นบางทีก็ใส่คอนกลุมบ้างบางทีก็ทำการดึงหนังดึงอะไรบ้างบางทีกส็สายรว่นต า, าสายอะไรต่างๆวิธีการต่างๆเหนื่อยไปหมดปากยิ้มป่าลงไปกันตามธรรมชาติดีกว่า แล้วเราจะไม่เครียดเราจะมีความสุขแล้ว เ, เราจะดูดูอ่อนกว่าวัยโดย <c oughs> ที่มันแก่กว่าวัยก็เพราะความเครียดเองก็อยากจะสาวยิ่งอยากเท่าไหรไม่มันยิ่งเครียดท่า <c oughs> นจริงคนที่ไม่เครียดนี่ดูหน้าตาคุณสดใสดูไม่แก่แล้วมันต้องยกตัวอย่างไทยเรา่ค่ะคนไทยคนหนึ่งเราเจอก็บอกสี่สิบเท่านั้นแหะ เมื่เสักสิปีก่อนคนน้อยเข้ามาหาเราเขายังเที่ยวเราเป็นเ <cussion> นข้ามกุฏิแห่งจานทร์เนยาจางอยู่เปล่าตอนนี้คือปฏบิบัติงานที่สองคือการปฏิบัติที่พูดถึงการศึกษาเราศึกษาแล้วเราก็ต้องนำมาปฏิบัติ ตัวปฏิบัตินี้สําคัญเพราะเป็นเลยกับเวลาเวลาจะรับประทานอาหารถ้าเราเรารู้ว่าอาหารมีอยู่ที่ไหนเราไปที่นั่นแต่เราไม่รับประทานอาหารเราก็ยังจะไม่ได้อานิสส์ยังไม่ได้รับประโยชน์จากการรับประทานเมื่อเรารู้แล้วว่าเวลาเราถือเราต้องไปที่ร้านอาหารเมื่อไปถึงร้านอาหารเราก็ต้องสั่งทข้าวกับบนะ้านมาเนื้อขาอมาตั้งอยู่ที่โต๊ะแล้วเราก็ไม่รอหรื เราก็รีบตากเข้าปากกินกันอย่างอะไรตลอดแต่ยังเมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องทำเพื่ให้ทานเราต้องรักษาศีลเราต้องภาวนาะเราก็ต้องทํากันแล้วอย่ารอเลยรออะไรใช่ไหมทำไปทำไปมันจะยากจะเย็ยนยังไงมันก็มันก็ไม่สุดวิสัยที่เราจะทําได้ใหม่ๆมันก็เหมือนกับอะไรทั้งนั้นอ่ะตอนหัดเริ่มลองหัดเพล่อดีใหม่ๆก็รู้สึกว่ามันยาก ไม่เคยพิมพ์มาก่อนเพราะมไม่ถนัดก็ต้องหัดมาจิ้งทีละนิ้วเท้านิ้วกอกายก็จิ้มไปเรื่อยๆจิ้มไปเรื่อยๆขอไข่ก็จิ้มไปเรื่อยๆจนเกิดความชานาญขึ้นมาเมื่อมันทํางานแล้วต่อไปมันก็สบายมันก็พิมพ์ได้โดยที่ไม่ต้องนึกคิดเลยทางต่อนาำในหมังนก็ลำบากจะนั่งได้สักครั้งนี้รู้สึกว่ามันมีอะไรมาคอยขวางอยู่เลยเดี๋ยวมีเรื่องนั้นเดี๋ยวมีเรื่องนี้ เดี๋ยมีอะไรเหตุปัจจัยต่างๆไม่อึ่อนเหนื่อยให้บอกว่าบางทีก็ร้อนไปบ้างบางทีก็เย็นไปบ้างบางทีก็หิวไปบ้างบางทีก็อิ่มไปไม่มีความพอดีสาหรับการภาวนาทีานะ่จริง <c oughs> มันก็เลยไม่ได้ภาวนาะงั้นอย่าให้ปัจจัยเหล่านี้มาเป็นสัวขวางเราต้องกําหนด เ, เวลาวัานหนึ่งจะต้องนั่งกี่ห้เมเช่นวันหนึ่งกำหนดเวลากินข้าวสามมือ้อ แล้วก็กําหนดเวลานั่งภาวนาสามครั้งไปเลยถึงเวลาก็นั่งไปเลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปกลัวความหิวกลัวความอิ่งกลัวความร้อนหรือกลัวความเย็นถึงเวลาก็เอาไปเลยถ้าทําอย่างนี้แล้วมันไปได้นี่คือข้อที่สองคือการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วมันก็มันก็จะนํำพาไปสู่ปฏิเวรเป การบรรลุผลได้ผลที่เกิดจากการปฏิบัตินังสมาธิทำสมถะภาวนาในาที่สุดจิตก็รวมรวนเข้าสู่ความสงบมีเราได้ปฏิเวททางด้านสมาธิแล้วเ่าเราเจริญปัจจัาพิจารณาไตรลักษณ์หรือนนเรื่องราวต่างๆจนในวิเสษใจเราก็เข้าใจรู้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นก็ยอมรับความจริง ใจมันก็จะโล่งมันก็สบายมันก็จะไม่มากังวลกับความเป็นไปของสิ่งต่างๆเพราะเราเราเราไปถึงขั้นนั้นแล้วใจเราไปถึงเหตุการณ์แล้วเรารู้แล้วว่ามันจะต้องเป็นแล้วมันก็ต้องผ่านไปแต่ใจมไม่ได้มันไม่ได้ไปกับสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าใจไม่คิดใจก็คิดว่าเวลาสึงเสียสิ่งหล่นั้นแล้วจะอยู่ไม่ได้ ความจริงใจมันไม่มีอะไรมันก็อยู่ได้เวลาเรามาเกิดนี่เราก็ไม่ได้เอาอะไรติดตัวเามาให้มีสมบัติานานนะแต่ชีวิเดียวแล้วแต่ร่างกายนี้ก็เป็นของคุณพ่อคุณแม่อาใัยสมบัติของคุณพ่อคุณแม่คือร่างกายนี้แล้วเ่อเจริญเติบโตขึ้นมาเราก็มาสะสมมาเอาทุก ส, สิ่งต่างๆสมบัติทายนอกคนนั้นคนนี้มาเป็นสามีเป็นภรร ย, ยา แล้วก็ได้ลูกได้ลูกได้หลานตามมา ไ, ด, ไ ด, ด้ได้ยศได้ตำแหน่งอะไรต่างๆได้เงินได้ทองเมื่อเดียวนั้นสร็จมันก็หมดไปใจก็ไปต่ถ้าถ้าแบบว่าถ้าไม่ได้เจอพระพิจิกาภนะมันก็จะไปอย่างนี้อยู่เรื่อยๆไปตามตามทวาหนุ่กมก่นมาเกี่วกบกิจชาติก็จะสวา่างนะเส็งอย่างนี้น ไปแต่ถ้าได้มาเจอพทธศาสสาก็จะจะได้เรื่องฟังเกี่ยวกับเรื่องการเยียนไหวต่างๆอยา่างนั้นรู้จักจดอย่างขึ้นเรื่องของความทุกข์ที่ต้องไปบาดที่ค้างที่ไปเกิดเกิดแล้วก็ต้องเจ็บต้องเจ็บต้องตายต้องพลาดพาดและอื่นต่างๆเราก็มีได้อยู่เกี่ยวกับวิธีที่จะทําให้เมื่อตั้งแต่เกิดต่อไปก็คือการบําเพ็ญทานสิงฆารญา ที่เราวมันเพิ่มขึ้นอยก็คือปฏิเวจก็คือการหลุดพ้นในที่สิตนั้นเองจิตปล่อยวางทุกทอย่างได้และความอยากทั้งสามได้คือการว่าปัญหาความอยากในเรื่องเสียงเกษษษษษษษษิดวัตถุสภาพต่างๆไม่ดูหนังวังเพลงก็ไม่ตายไม่ไปกินเนื้งก็ไม่ตาไม่ไปเที่ยวก็ไม่ตามไม่หิวด้วยจิตที่มีทางสงบอยู่แล้ว จะมีมีความสุขที่เลิศ ก, กว่าอยู่ในตัวเองแต่ว่าค้ามสุขของสมถะภาวนาเนี่มันมันไม่อยู่ติดตัวอยู่ติดใ จ, จตลอดเวลาเวลาเอาจากสมถะภาวนามามันก็จะถูกความหลงเข้ามาทําหน้าที่คอยดึงให้ไปสวงหาความสุขจากลูกเสียงกินวัตถุธรรมจึงต้องใช้วิปัสสนาคือธรรมยาศกัดกันนอนใจหักห้าม ให้หักหามจิตใจว่าอย่าไปอย่าไปเที่ยวอย่าไปมีอหนังฟังเพลนกลับมานั่งสมาธิต่อกกลมาเดินจงครมต่อคนใหญ่เรานั่งได้แค่ช่วงเวลาหนึ่งพอรู้ว่าเราก็อยากจะไปทําอย่างอืนะ่นแต่ถ้าเราอยากจะปฏิบัติอย่างต่อเ น, นี่อเราก็ต้องเจเลยมีปรัชญาต่อเป็นพระปฏิบัติต่อท่านเนืงจากอยากนั่งสมาธิกลก็ออกมาเดินจงกรมต่อการจะมาได้ไปเปิดธรรมทัพดูไปเปิดวัตถุฟัง ท่นานจะก้อวทางเดินจนคงแล้วก็พิจารณาสภาวะธรรมต่อเป็นพิจารณาร่างการหรือพิจารณารูปเสียงจุดบ น, นโถด ต, ต่างๆถ้ามันไม่ได้มไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงก็คือความสงบของจิตเนี้ยที่เราที่เราต้องพยายามทําให้มีมากขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดไม่ใช่อยู่กับเพียงขณะที่นั่งหลับตาแล้วก็กาลังดู ดูลมหายใจเข้าออกนี้กําเนดิดดยขุดโทเท่านั้นแตเมื่อออกมา จ, ะจะมากจากสมาธิแล้วในขณะที่ทํากิตอะไรต่างๆก็ต้องควบคุมใจไม่ให้เกิดความหวาดต่อไปเห็นอะไระก็ให้ปัดไปเรื่อยๆ้ารู้ว่ามันไม่มัไม่เป็นคุณมันไม่มันไม่เป็นติ๋วกับเราอย่างแท้จริงเราไม่ได้ให้ความสุกขอย่างแท้จริ ง, งถ้าไปอยากมันได้มาแล้วมันก็จะมันจะเป็นความทุกข์มันจะเป็นภาว ะ, ะขึ้นมา ก็พยายามตักมันไปเรื่อยๆ เ, เพราะพอเวลาเวลาเราออกจากสมาธิแล้วตาเห็นรูปภาพมันก็จะเกิดมันก็จะเกิดถ้ายังมีความหลงอยู่มันก็จะเกิดความยินดียินร้ายขึ้นนะหรือเฉยๆคือพิารณาว่ามันมีมันมีอารมณ์กับสิ่งนั้นอย่างไรถ้าเคยชอบสิ่งใดพอเห็นสิ่งนั้นก็อยากจะได้ทดันทีถ้าเคยเกลียดสิ่งใดพอเห็นสิ่งนั้นก็อยากจะ เดินหนุนทันทีถ้าเห็นสิ่งที่ไม่มีปกติอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเฉียเฉียนใ้ันไปแล้วเราต้องพยายามทำใจให้มันเฉยๆแต่มันเฉยๆไม่ได้เฉยๆแบบไม่รู้แต่เฉยๆแบบรู้รู้ว่าเป็นต่างๆที่เราเกลียดก็ดีที่เรารักก็ดีหรือเฉยๆก็ดีมันรั่วแต่เหมือนกับอสาวริัเป็นเหมือนวูงนั้นถ้าเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับมันแล้วมันก็ไม่กระเน แต่ถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับมันนะมันจะกัดอย่างจริงจมันจะสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นมาจริงจเพราะเมื่อเราได้แรงงานที่เราชอบแล้วก็ยึดติดแลราก็หวงถ้าเราเจออันห่งที่เราไม่ชอบแล้วกเกิดความวุ่นวายใจจะทํายังไงจะกำจัดไปถึง น, นิ้ให้ได้ให้เงินคทุนหูทุนตาไปก็ อ, อยู่ไม่เป็นสุขอยู่ทีเฉยๆไม่ได้แต่ถ้าพิจารณาว่ามันเป็นสิ่งที่เราห้ามห้ามไม่ได้มันไม่อยู่ในอํนานาจของเรา สป่งต่างๆที่เราเห็นได่ตาก็ดีได้ว ย, ยินได้ฟังไม่หูก็ดีเราไปควบคุมมันได้ที่ไหนเช่ขนขณะนี้เสียงอะไรต่างๆที่มันดังอยู่นี้นเราไปห้ามมันไม่ได้เลยปรกฏที่ไหนก็ไม่ได้มันก็ไปกับวันตายแต่ถ้าเราไม่ไปรังเสียจมังไม่ไปมีอะไรกับมันก็ม่เห็นเดือดร้อนอะไรม่อกีเสียงอะไรหล่นลงมาดังเป๊ะๆๆเราก็ไม่ได้ไปมีอะไรกับมันก็ปล่านไปมันก็ผ่านไปใจเราก็ไม่ไม่ยุย่งวาย ใจเ้าก็สงบเนี่ยการปฏิบัติก็เพื่อรักษาทวามสงบของใจโดยส่วนใาญแล้วจะต้องใช้ปัญญาเป็นหลักใช้วิปัสสนาเป็นหลักสมาธิเป็นเพียงแต่เปเหมือนตัวคอยเป็นเป็นตัวจุดกประการสอนให้รู้สักดีเท่านั้นสอนให้ริใจดแต่เมื่อใจไปเจอกับของจริงๆพาแล้วจะจะหยุดได้ไหมเวลาไปเจออะไรเช่นได้ยินเสียงที่ไม่ ไม่ไพเราะโหแล้วจะดับความตรวอได้หรือไม่นี้ไปได้ยินเสียงคําชมเชยแล้วจะไปดับจะไปรับความดีใจได้หรือไม่ความยินดีได้หรือไม่เพราะถ้ายินดีก็แสดงว่าเราติดกับเสียงนั้นอยู่ถ้าเปลี่ยเสียงนั้นมันเปลี่ยนไป ม, มันไม่เป็นอย่างนั้นมันก็เกิดความความทุกข์ใจขึ้นมารู้นในใจเคยชมเราอยู่ทุกวันพอวันนี้ไม่ชมเรานั่นก็เพลงไม่ไม่ชมเฉ ย, ยนั่นก็รู้สึกว่า อาาระความยินดีก็เป็นโทษความยินร้ายก็เป็นโทษต้องต้องให้มันวางเฉยให้ได้แต่ต้องวางเฉยด้วยปัญญาไม่ได้วางเฉยเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นอารมณ์ของบางอย่างเราไม่ได้ไปยินดีนร้ายเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นอารมณ์อาจจะเป็นของที่มีคุณค่าแต่เรายังไม่รู้ว่ามีมคุณค่าพอใครมาบอกว่ามันมีค่าเท่านั้นเราก็ จะเกิดอุปทานยึดขึ้นมาจนชูเลยที่บางทีเราไปเจอของอะไรประหลาดมาแล้วไม่รู้เนี่ยว่าเป็นอะไรเราก็จะเอาไปถามคนนั้น น, นี้ว่นี่เป็นอะไรถ้าเกิดใครบอกโอ้ไอ้นี้ของพิเศษนะเก็บไว้นะโอ้โหจะโขงขึ้นมาทางทีเลยหรถ้าเขาบอกว่าของนี้มีไว้เราจะเกิดวิดบัติไงโอ้โหอยากจะยอนทิ้งลนะที่ที่ที่ไม่รู้ที่เฉยๆพ่อไม่รู้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้ แต่ที่เราตั้งาจให้เฉยนะั่นให้เฉยก็รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรมันมันมันทำให้เราขิบัตรใช่ไหมพูดงา่ดายๆก็พิจารณาคือคว่าทุกก็คือว่ามันมันไม่ได้มีประโยชน์มันไม่มีคุณกับเราเลยคนที่มีประโยชน์ที่สุดกับเราก็ไม่อยู่เพียงเดียวในโลกนี้ก็คือความสงบของใจนี้นนั่นเองนอกเหนือจากนั้นแล้วมันไม่มีอะไรเป็นคุณเลยมันมีแต่จะมาทำลายความสงบของใจมา ที่เราต้อ ง, ยงพยายามที่จะมากัดทุกอย่างก็เพื่อที่จะไม่ห้มันมาทำให้ใจเรากระเพื่อมนั่นเองายเราก็เป็นเหมือนกับน้ําที่นิ่งความสงบของจะใจที่สงบก็เหมือนกับน้ําที่นื่งแต่ถ้าใครโยนก้อนอิ ก, ก, อนก้นกวดลงไปในน้ํามันก็จะทํำให้น้ํากระเพื่อมดังนั้นถ้าเราไปเอาอะไรมาครอบครองไปพึ่งมันให้ความสุขกับเรานั่นแหละก็เป็นเหมือนกับการเอาอะไรมา โยนใส่ไปในจใจของเราให้มันกระเทื่อมขึ้นกระเพื่อมด้วยความห่วงด้วยความหัวด้วยความเสียดายเพราะนั่เป้าหลักเป้าหมายหลักของเราก็คือใจนี่แหละโดยอาศัยทางศีลทางศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นตัวที่จะพาไปสู่ความเล่งสงบของใจนิ่งได้ในทุกปีริยาบุตร ไ ม, ไม่ใช่ไม่แต่ขขเฉพาะอยู่ในข้างนั่หรืออยู่ในที่ไม่เยกตามรธรรมมันจะต้องนิ่งได้าน้ะกระทั่งไปอยู่ท่างกางจี่แยกไปแดงไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆใจจะไม่รู้สึกมีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆโดยทั้งสิ้นถ้าฝึกดีแล้วมันจะเป็นน้มันจะถอดถอนออกจากสิ่งต่างๆออก จ, จากนิ่งจากจิน จ, กน จ, จากติงจากลดจากโผกจากพระต่างๆ สัมผัสรอบรู้เหมือนเดิมแต่ไม่มีปัจจุบันเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนสัมผัสอะไรแล้วจะต้องมีความยินดียินร้ายขึ้นมาทำผิแต่ถ้าได้ได้มีวิ่ปรัชญาปรัชณาอย่างท่องท้าอย่างอย่างรอบครอบแนละ้วจนเข้าใจจนปล่อยวางได้แล้วมันจะไม่มีความไม่มีความรู้สึกยินดียินร้ายกับอะไรทั้งสิ้น ได้มาก็ไม่ได้ดีจาจเสียตายก็ไม่ได้เสียดายะได้นาก็พิจารณาเรื่องเหตุเรื่องผลต่างเมื่อเรามีมีของเหลือใช้เราไม่ใช้เราจะไปทําอะไรก็คิกไปางคจะสิ่งใดเหมาะสมกับคนคนชนิดไหนก็ จ, จัดไปให้กับคนชนิดนั้นก็ทําประโยชน์ไปนั่นแต่ใจไม่ต้องการอะไรนะั้นของภายนนอกทั้งหมนในโลกนี้นี่แต่จะไปทํางานยไปกระทบกับความสุขของจใจ ไม่มีแล้วมันสบายดูพระอาาริยบุคคลข้างหลังท่านมีอะไรที่ไหนท่านอยู่ได้เหมือนนกอพระหลวงให้อยู่เหมือนนกไปเหมือนนกอนกบินไปมั น, น, น, น ไ, ไม่ได้เอาอะไรติดใจมันมันก็ไปแต่ปีกของมันเท่านั้นอมันก็ไปหากินข้างหน้าต่อไปเรื่องนีคือความสุขของคนเราอยู่ตรงนั้นอยู่ทางที่ไม่มีภาระกิจภัยทา ง, ง น, น้าำจิตใจ จะอยู่ได้ก็ต้องตัดเพราะขณะนี้เราเป็นเหมือนคนติดยาเสพติดเราขาดยาเติดไม่ได้ต้องมียาติดอย่ตลอดเวลาเราต้องเราต้องหักขาดจิตใจยามทรมานตอนชักกระยานเนี่ยเวลาถึงเวลาจะเสพก็ไม่เสพเร่อนี้ไปอยู่ในตาให้มันอยนู่ที่ปกปางกลางจากสิ่งต่างๆเรา ถ้ากเาติใจดึงดึใจไม่ได้ด้วยการปฏิบัติธรรมรื่องสมาธิเชลามิตปัสญญาลหลบไปมันก็จะไม่กลับไปสู่สิ่งต่างๆที่เคยติดใจถูกความแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆกับสิ่งต่างๆมันยากที่จะหลบกันได้การปฏิบัติที่บ้านากับการปฏิบัติที่วัดมันก็ต่างกันเลย ถ้าที่บ้านเรามีสิ่งต่างๆรอบตัวเราที่สิ่งต่างๆที่เราต้องตัดแต่เรายังไม่ได้ตัดแต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านแล้วไม่มีอะไรเลยก็มันก็เหมือนอยู่ที่วัดแต่ถ้าอยู่ที่บ้านแล้วไม่มีอะไรที่เราติดพันเลยไม่มีวิทยุไม่มีโทรทัศน์ไม่มีตู้เยนเหมือนกันเหมือนก็นอยู่ในกุฏิที่เราไปอยู่ที่วัดไม่มีอะไรเลยถ้าอย่างนั้นที่บ้านก็เหมือนกับเป็นที่วัด ถ้าที่วัดมีกุฏิมีตู้ีย็นมีภาชน์มีทยทดยุมีอะไรเต็มไปหมดมันก็เหมือนอยู่ที่บ้านนั่ค่ะว่าวัดกับบ้านมันไม่ได้อยู่สถานที่มันอยู่ที่สิ่งแวดล้อมที่ที่ที่มีไปที่นั้ น, น, นถ้ามีสิ่งแวดล้อมที่เหมือนกับบ้านมันก็ต่อให้อยู่ในปา่ามันก็ยังเหมือนกับอยู่ในบ้านแต่ถ้าอยู่ในเมืองแต่ไม่มี ไม่มีสิ่งไม่มีสิ่งแวด ล, ล้อมที่เหมือนกับที่มราอยู่ในเมืองเลยเหมือนกับคืแต่สิ่งแวด ล, ล้ามเหมือนกัอยู่ในต่างมันก็เหมือนกับอยู่ในป่านี่คือขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือศึกษาแล้วก็นำไปปฏิบัติจนบรรลุมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานก็มีอยู่สี่ขั้นเป็นคู่คู่มรรคผลนี้เป็นคู่กัน แต่เราจะิญโซดาปฏิมักก็เพื่อที่จะได้บรรลุโซดาปติผลโซดาปฏิมักก็คือการจะละการพิจารณาร่างกายของเรานี้การพิจารณาอยู่เรื่อยๆถ้าเรากําลังจเจริญพิจารณ า, า, า, า, าร่างเกิดมาแล้วต้องแก่ต้อเสื่ต้องตายเรากําลังจะิะโซดาปฏิมักเพียงแต่ว่ามันยังไม่ติดประต่อถ้าติดต่อนี่งมันถึงจะเป็นเรื่องเราเป็นโสดาปฏิมักแต่ถ้าเราทําแบบเช้าๆเย็นทางนี้มันก็ยังไม่เป็น สดาปฏิมาขึ้อขึ้นแต่ทาจักแต่ว่าทำ ท, ำทำเพื่อไม่ให้เสียเสียหน้า <c oughs> ถ้าจะเป็นสดาปฏิมามาทั้งวันทั้งคืนด้อยู่นั่งนอนอยู่ในไอยาบดิสุทิจาตัวเรื่องเหล่านี้เหมือนที่พระเจ้าสอนพระอามงดวรตทุกลมหายใจเข้าออกเพื่อจะเอาไว้ถึงควางตายเสมอหายใจเข้าตลนดถึงว่าหายใจ เข้าไปถ้าไม่หายใจออกมาก็ตายหายใจออกมาแล้วไม่หายใจก็ตายต่างๆจะตายตรงไหนเ ม, มื่อไหร่นี่ก็อยู่ตรงสองจุดนี่แหลดที่หายเข้าไปหรือหายออกมามันไม่ได้อยู่ตรงไหนและมันก็ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนี่คือเรื่อการเจริญนับตรงนี้เมื่อได้ขั้นเสด็จมาไปแล้วก็จะต้องเจริญขั้นต่อไปขั้นเสด็จมาธรรมยิงกับขั้นอนาธารมยิงนี้ให้จะจะแริววัตถุ อันเดียวกันคือให้เรียเอาผีผ่าความไม่สวยงามให้ดูความไม่สวยงามขอ ง, งร่างกายส่วนต่างๆให้ดูเข้าไปทั้งภายในดูเอาไว้ว่าต่างๆดูสภาพที่เป็นอยู่กับสภาพที่เวลาตายไปแล้วเป็นอย่างไรตายสามวันแล้วเป็นอย่างไรเวลาถ้าไปที่ไม่ได้ตายถ้าถึกแรงแ ร, ง, แรงการมมันกัดกินสภาพจะเป็นอย่างไร คือสภาพของร่างกายที่ร่าเป็นตาร่างกายถ้าพิจาราไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าร่างกายมันเป็นผีดิบถีเป็นกับผีตายโดยขณะที่อยู่นี่ก็เป็นเวลาผีดิบเป็นถีเป็นอยู่เป็น แ, แต่ว่ามันมีการทําระมีการอาบน้ําอาบท่ามีการหวีเทาหวีผมมีการแปลงพลังมันละก็พอจะดูได้แต่ถ้าไม่อาบน้ำอาบท่าไม่แ ป, ปลงฟังไม่ ไม่อะไรไม่เผ่าวิผลมอะมันก็คล้ายทลางกับผีผีผีเป็นเลยัวไม่ตายแล้วถ้าตายไปยิ่งยิ่งขนาไหนมันก็จะ ม, มันจะส่งกลิ่นเหม็อนออกมามันจะเริ่มเล่าเปื่อยไปนี่คือการที่จะดาวผบป่าเนี่ยาเป็นเป็นการกาเนนารจริญสระดาปฏิมาศ ก, กับอนาธรรมนัม ก, กสระดาปฏิมนีาท่านก็บอกว่า ได้ได้ได้ได้ไม่ทําให้เบาบางในกาได้ทําให้ราคากัรหาคือความยินดีในรูปของผู้อื่นคือความยินดีในการเบาบางไปเมื่กอกอนนี้เป็นแบบว่าถ้ายังไม่เคยคิดพิจารณาเลยเป็นแบบว่าต้องมีอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าพิจารณาไปได้บ้าง้วก็จะเกิดทางก็มีก็ได้มีบ้างก็ได้ไม่มีบ้างก็ได้ไดไดคือมันเบาบาง มันไม่ถึงแต่ว่าอยู่อยู่ประจากมันไม่ได้เลยแต่ถ้าพิจารณาไปต่อไปจนกระทั่งมันเห็นอยู่ทุกขนาดจิตหนึ่งเวลาเกิดความอยากมันก็จะเห็นไในภาพที่ไม่มเสียงามปรากฏอยู่นจนกระทั่งมันไม่มีกิดความรู้สึกอยาอกต่อต่อเพราฉะนั้นะจะได้บรรลุอนาความอยูขึ้นไป อนยาณาคารมีท่านก็บอกว่าเรื่องของร่างกายนี้ก็หมดปัญหาไปร่างกายนี้รับพิจารณาหมดละไม่ว่าจะเป็นความไม่เที่ยงนิจจังที่ขวัญนักตาหรืออัศวภาอัศวายนี้คนที่ถึงขั้นาณาคารมีนี้จะไม่มีปัญหากับร่างกาย อ, อาต่อไปจะไม่มีความยินดีไม่มีความต้องการถ้ายาณาคามีจริงไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอต่อไปถ้าถึงว่าเกิดตายไปก่อทนที่ได้บรรลุไปถ้าหาัน ท่านก็จะเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นโถมชั้นสุดข่าวว่ามีห้าชั้นด้วยกันแล้วก็จะเจริญวิปัสสนาออาไปในชั้นนั้นแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระเพราะกิเลสที่ท่านจะต้องพิจารณานั่นเป็นกิเลสที่ละเอียดเป็นนามเป็นนามที่มีอยู่ในจิต เ, เป็นนามธรรมา ท, ที่มีอยู่ในจิตท่ า, านใะช้พิจารณาหน้าเนาะ อนะคือการถือตัวแล้วก็จะนับว่าติดอยู่กับในในรูปประชามรึเปล่ติดอยู่ในความสุบกากการเพ่งรูปรึเปล่าหรือเกิดอยู่การอยู่กับความสุบในการเพ่งเอา ร, รูปประชาอาตมันมั น, ม, นมันจะเป็นแค่คำว่าติดกับว่านาคาเนี้ยท่านไม่ไม่หาความสุขจากรูปอย่างแล้วเช่นรูปของคนเป็นไม่ดีธรรมทัศน์ไม่ฟังเพลงไม่ไรแรงใจ ถ้่ท่านยังจะติดอยู่ในสมาธิติดในทางสมบัติสมาธิเช่นเข้ายุบประชานเข้าอริประชานการมันมีอยู่สองสามระดับชั้นยประชานกับชั้นอริยประชาเรางนามธรรมน่นทั้งกรจะหาความส ด, ด้วยการเข้าสานเรื่อยๆหาความสมบัติเรื่อยๆแต่กิเลสคือที่ละเอียดคืออวิชชากรรมานะนี่มันยังฝังอยู่ในจิตถ้ายังไม่ได้กําจัดมันภพชาก็ยังไม่หมด ก็ต้องพิจารณาเข้าไปให้ละตัวมาณะคือการถือตรงถือว่าถือว่าเราสูงกว่าเขาบ้างเท่าเขาบ้างตามกับเขาบ้างอันนี้มันเป็นเป็นสมมุติเทานมันไม่ได้เป็นความจริงความจริงแล้วจิตทุกดวงมันก็เป็นจิตเหมือนกันหมดเหมือนกับต้นไม้ทุกต้นมันก็เป็นต้นไม้เหมือนกันมีน้ําทุกหยดมันก็เป็นน้าเหมือนกันหมดมันไม่มีน้ําหยดนี้สูงกว่าหยดน้ำนู้ตามประาหยดนี้ มันก็เป็นนามเหมือนกันจิตัองของพวกเราทุกดวงก็เป็นจิตทั้งนั้นเป็นผู้รู้ทั้งนั้นมันไม่ได้มีตัวไม่มีตนอะไรแต่มันยังมีตัวมาละคือความหลงมี้อยู่ในใจเวลาเรามองใครเราจะมักจะติดที่เขากระแลกระแลว่าเอเราสูงเราเักเราเก่งกว่าเขาเขาแย่กว่าเราหรืออะไรอย่างนี้ไปก็ต้องกําจาว่ามันก็เหมือนกันเราก็เป็นเหมือนกัน ต่วนวิชาก็คือความไม่รู้ในธาตุอริยสัจคือพิจตกฏอยู่ในจิตในขณะนั้นอริยสัจยังแสดงอยู่นะคือมีมีทุกมีสมุทัยมีเนื้อมีมีทุกมีสมุทัยแต่ย้อโลดก็มักนี่ยังยังไม่ยังไม่ทันเนื้อมันก็เลยไม่ยังไม่ปรากฏมีความทุกอยู่ทุกที่ละเอียดอยู่ในจิตในใจทุกที่เกิดต่การยึดติดของความสุขนั่ เวลาจิตสงบแล้วพอมันเริ่ ม, มเกิดความเศร้าหมองขึ้นมาก็เกิดเกิดความความทุกข์ใจขึ้นมาการรักษาไม่ให้มันเศร้าหมองแตยื่ไปรักษามันมันก็ยิ่งเศร้าหมองใหญ่ในในจุดนั้นมันก็ต้องพิจารณาจนเกิดความทุกขใจแล้วก็ปล่อยปล่อยมันไ ป, อ, ป อ, อันนี้ก็คงจะต้องต้องต้องผู้ปฏิบัติคงจะต้องรู้เองเพราะมันเป็นขั้นบรานมธรรม แต่ถ้าคนที่ปฏิบัติด้วยกันแล้วนาราทุ่นี่ย จ, จะเข้าใจถ้าคนถึงจุดนั้นด้วยกานน่าปะรู้ว่าก็ทำอย่างนี้ไปเหมือนที่หลวงตาท่านบอกว่าตอนที่ต้องไปอยู่ที่วัดดาวทางมจุรีแล้วจิตปกากฏการสว่างสวงขึ้นมานั้นก็มีอะไรดขึ้นมาวาที่ใรมีจุดมีต่ำที่นั่นก็คือพบชาติมันก็ไม่เข้าใจกันมาก แต่ท uh, th nah, ่านหัวถ้าไม่ท่านหลวงปู่มายังมีคุวิแล้วถ้านํารปกาล้าท่สามท่านจะชี้กับไปตรงจุดนั้นเนาะจุดที่มันสว่างสว่างนั่นแหละแต่ท่านก็ไม่รู้ท่านหลวท่านต้องไปแบกวดเหงื่อสามเดือนใตัวดสามเดือนแล้วก็ก็กลับมาที่เดิมกลับมาที่วัดพระเาิมทำมาตนช่วงเดือนหกนันะที่ท่านล้าไปคือเล เมื่อ่อนไม่ทราบเรื่องของเรื่องอะนะแต่ใช่นั่นอวิชามันก็เป็นอย่างน้องอวิชามัานพูดว่าเวลาปฏิดัติไปให้มาเราคิดว่าอวิชานี่จะเป็นเหมือนเสือมันหน้าเปร่วเราใจว่าถ้ามันต้องเป็นสัตว์ร้ายที่น่าเปร่วมากแต่ท่าหบอกพอปฏิบัติไปเจอมันจริงๆมันเป็นเหมือนนางบางเงาที่เป็นนางบางเงา ก็ยังอยู่ข้างสองใบตาตานงคือมันกลับหน้าแล้วกลห น, น้าสงวนกลับไปปกป้องมันการที่จะไปทำลายมันกลับไปรักษาเมื่อทำลายตัวนั้นปดายล้วจุดนันก็จะว่างเป็นมันเปรดเทียวอวิชามเหมือนกับเหมือนกับไฟไฟที่มีโปะที่มีกระจกครอบอยู่ เวลาเราทอนงาเราก็ขัดเพให้มันใสแจวแต่ไอ้กระจกที่มันครอดอยู่เนี่ยมันเป็นอวิชามันใสแจวแต่มันก็ยังไม่ใสเหมือนกันเวลาที่เราเอากระจกมันออกไปเหมือนก้อนแานที่เราใสเ่ถ้าเราใสแานกับถอด่านออกเนี้ยมันไหนมันจะใสกว่ากันแานถึงแม้เราจะเช็ดมันขนาดไหนมันก็ยังมีมันก็ยังเป็นแานอยู่ ถ้าเราไม่ใสยร้านเนี้ยมันจะไม่มีอะไรมันจะใส่เมื่อมา่ถึงขั้นแล้วก็มันก็เลยขั้นที่สี่แมันก็จบขั้นที่สีขั้นที่หนึ่งก็ศึกษาขั้นที่สองก็ปฏิบัติขั้นที่สาไม่ใช่ขั้นที่สี่ของอทยขั้นที่สาปฏิเวกก็เรียนจบแล้วเมื่อจบแล้วทีนี้ก็ขั้นที่สีก็ไปถอยแผง จะเผยแพร่ได้มากนะข่าวหลังก็ขึ้นอยู่กับอัจฉริยะใส่อยู่กับอุปนิสัยอยู่กับความนี้ความสามารถั้งแต่ละคนที่น้อเท่าเทียมกันคือของที่รู้อยู่ในใจนี่บางทีั้งจะ อ, ออกมาพูดให้คนฟังไม่รู้จะพูดยังไงมันเป็นนามธรรมาคนที่ไม่มีประรการมากไม่มีการศึกษามากก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่มีเครื่องมือที่จะนําออกม า, ม า, ม, ามาใช้เป็นเป็นสื่อ แต่ถ้ามีการศึกษามากมีกประสบการณ์เนี่ยมากทางโลกก็สามารถเอาอประสบการณ์ต่างๆนี้เป็นตัวอย่างเรยกเป็นตัวอย่างอุกประมาณอุกประมาณเพื่อที่จะได้ให้เห็นภาพขึ้นครูบาอาจารย์าาท่านก็เก่งทางเล่าทางสอนทางท่านก็ท่านไม่สอนอะไรเลยเช่นหลวงปู่สาวนี่ท่านเป็นอาจารย์ของท่ า, ทานอาจารย์นั่นท่านก็แสดงคำดีไดท่านก็แค่สามคำ สิมาทิปัญญาแล้วก็จบ <c oughs> <c oughs> ถ้าในปุมณะนี้ท่านก็จะอธิบายว่าสื่อเป็นอย่างไรทนายที่เป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรอย่างตามช่วที่จะเผยแผ่ทำแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางองบางองท่านก็เผยแผ่ได้มากได้กว้างขวางบางองก็เผยแผ่ได้ได้ไม่มาก <c oughs> นี่ก็คือขั้นตอนของของของศาสตร์คือคือบันไดที่เราจะต้องเดินไปตอนนี้เราอยู่ท่านหนึ่งเพื่อศึกษแล้วแล้วก็พยายามขยับไปทัานสองให้ได้ศึกษามาหลายปีแล้วก็น่าจะน่าจะปฏิบัติกันน่าจะตัดกนไ้่านอาจารย์คะท่านอาจาร่วยไม่แจ้งที่ใบ คิดว่ า, าแนามม้มประจานแนวลูกปจานอาใช่ใช่ใหท่านเี้ารอธิบายให้ฟังหน่อยนะคะแลู้กประจานท่นีหมายคมยังไงคะคนที่อยู่ในสมาธิฌานมันมีอยู่ฌานแต่เ <c oughs> วลานั่งสมาธิเข้าไปในจิตละเอียดเข้าไปทีละขั้นทุกขั้นมเคลื่ ไ, ลไปรื่อเรื่อเหมือนกับเราขับรถยนต์เวลาเราออกรถเราก็เข้าเกียร์หนึ่งรวิ่งไปได้ระยะหนึ่งเกียร์หนึ่งมาไม่ท่อแล้วาวิ่งให้เร็วกว่านี้เราต้องเข้าเกียร์สอง แล้วถ้าอยู่เตียหนึ่งมันก็จะตื้อตื้อไปอย่างนั้นมันยิ่งได้แนั้นไม่ต้องเข้าเกียร์สองปิดก็เหมือนกันเวลาสงบใหม่ๆเข้าละเอียดมันจะตา่างความอยากละเอียดมันจะต่างกันการฌานขั้นแรกนั้นท่านก็มีบอกว่ามีวิจตวิจารมีสุขมีปิติมีมมาอกากตาอะไรเนี้ยแล้วละเอียดเข้าไปก็วิจตวิจารก็หายไป าก็ไม่ได้จำไว้ว่ามีอะไรบ้างมันก็ชอบไปเล่นกกมพอถึงรูกประชานขั้นที่สี่ก็มีแต่อุเบกขาอย่างเดวไม่หลังจากนั้นก็เข้าสือเอาลูประชานก็จะมีความรู้สึกว่ามีมีมีอะไรนั้นมีไม่ทราบมนกันเคยอ่านมาแต่ลืม้วอ่าก็ในจิตนั่นเหมือนกับว่ามีแต่อะไรนะมีแต่ความว่างอะไรอย่างเงี้ย มีแต่ความรู้กระจายไปทั่วไปหดุดมีวิญญาณอะไรบินยอมทั่วลปแล้วก็มีถึงขั้นที่ว่ามันไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยอันนี้ต้องไปอ่านรายละเอียดดูพูดไปเดี๋ยวผิงพลาดานี่คือก็คือจิตของพรานอนาคานีท่านจะสามารถเข้าสู่ในระดับต่างๆ น, นี้ได้ขึ้นอยู่กับว่าท่านเคยฝึกมาม า, มากน้อยเป็นหลายทางด้านสมองที่ ท่านอาจจะอยู่ท่ า, รปปรานรู่ประชามทัานอาจจะมีประชามท่านก็จะเพิดอยู่ประชามแบนั้นแต่ไม่ออกมาพิจารณาดูมานะหรือดูอวิชาว่ามันเป็นอย่างไรก็ยังมีอามิชามานะอุทจักจัอยู่เนยอยู่ในนั้นอันนี้ต้องพูดไปมันก็จะทราว่ามันมันไกลไป ให้ไปถึงใกล้ๆแล้วท่านจะแค่พอดีเจอมีผู้สงสัยแล้วลูกอาจจะบางทีต้องก็คือเขาใช้วิธีที่เอดูตัวรู้คือแค่ไม่ไม่ได้คิดอะไรเลยแค่ดูอะไรเกิดเช่นก็ดูมีสิปิดตามดูอย่างนีตลอดเวลานะคะคือคือพอมาอะไรเข้ามากระทบก็หยุดคิดคือไม่ใช่วิธีคิดแต่ตอนนี้ที่เขาสงสัยก็คือว่า ตรงเนี้ถ้าไม่ได้พิจารณาเลยคือไม่คิดใช้วิธีดูความว่าไปตรอดเนี่ยบรรลักษณ์กิเลสที่ฝังอยู่ในสุดลึกไม่ได้ใช่คหมคะต้องใช้ปัญญาสุดในท่านสุดท้ายใช่หรือไม่คะคือมันขึ้นอยู่กับว่าเขามีปัญญาเดิมอยู่แล้วหรือเปล่าบางคนอาจจะมีปัญญาเดิมมาแล้วเขาก็ไม่ต้องคิดมากก็ไนดะ้เห <c oughs> มือนคนที่เคยเรียนังสืออยู่แล้วเรียนอยู่ชั้นม .6 หรือม .5 แล้วย้ายโรงเรียนไปก็อาจจะบางทีไม่ต้องกลับไปเรียนม .4 ม .3 ก็ได้ ก็มันแต่ละคนมันมันมันรู้อยู่ในใจของตนเองคือเป้าหมายก็คือว่าระงับจิตไม่ให้มีอาการกระสับกระสายกับเรื่องราวต่างๆได้หรือไม่หรือไม่ให้ทุกข์กับอะไรได้หรือไม่ให้หวั่นไหวกับอะไรได้หรือไม่ฉะนั้นเป็นเต้ายิ่งวิธีที่จะทํามันจะทําอย่างไรก็ถูกแพ้แต่บางคนยังแต่รู้เฉยๆเต้ารู้ดูรู้เฉยๆเรารู้ภาพแล้วอาการกระสับกระสายอาการ เออเย็นดีร้ายมันดับไปก็ได้มันแสดงว่าเขามีปัญญาอยู่แล้วบงคนก็ขนาดดูแล้วมันก็ยังกระตับประส า, ายก็ต้องเข้าไปลึกหน่อยนะนกระตับประสากับาาเรื่องอะไรถามตัวเองอ า, าการความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเลยแล้วคนเราเกิดมาไม่เจ็บคไายได้ป่วยเลยแล้วคนเราจะไม่ตายเลยถ้ากระตับกระสาเพราะความกลัวตายก็ต้องที่เข้าไปเป็นจิตนั่งถามาตัวเราเอง ฐานเดียวกันถ้ามันยอมรับว่าเออปราศรัพต์กระายแล้วจ ะ, ะยัยงยังอยากจะปราศรัพ์กระสายต่อไปหรือเปล่าถ้าปราศรัพ์กระสายก็ก็ก็ไปก็ไปกลัวความตายแต่ถ้าไม่อยากปราศรัพ์กระสายก็ต้องไม่ต้องกลัวความตายก็ต้องยอมตายมันต้องจุดที่เราจะต้องโกงจะต้องตัดสินใจมว่าจะเอาไม่เอาก็ให้ก็จะให้เราเราจะเอาไม่เอาถ้เ า, เ, า, เ, อ า, เ, อาเอาก็เอาก็ไม่เอาต้องตัดใจไปเลยเพื่อใ้หมดปัญหาไป ด้วใจของเขาจเจริญสติเนี่ยนะฮะในการยืนเดินทั้งนอนแนละ้วเขาจเจริญสติเขาจะตามรู้ทันตลอดเวลานะฮะแต่ว่าเขาก็ติดอยู่ตรงนี้่ะเขาจะไปเรื่องสมาธิจิตก็ไม่สงบนะคราวนี้ก็ไม่รู้จะแก่ยังไงก็เข า, าตามสติตามทันตลอดเลยนะแต่ว่าจะลงเร่องสมาธิก็ลงไม่ได้เขาจะชชอบที่จะเดินจงรมเขางงองมีวิจารณ์ที่งเขาะมีความเห็นผิดว่าปฏิบัติอย่างนี้ก็พอ ไม่จำเป็นจะต้น่งสมาธิมีมีหลายหลยมีมีความที่มีความเสนใจอยู่หลวงพ่อก็ปฏิเสธเรื่องการนั่งสมาธิว่าไม่จําเป็นหลวงพ่วก็บอกว่าอ ะ, อะไรนะนั่งสมาธิอย่างเดียวแล้วจะพาไปสื่อวิปัสสนาก็ไม่ถึงเหมือนกันหรือนั่งสมาธิจิตสงบแล้วปัญญาจะเกิดอย่างนี้ก็ไม่ถึงเหมือนกันนั่งสมาธิมันก็ได้แค่ความสงบถ้าจะเกิดปัญญามันต้องพิจารณา ต้องแยกเนี่ยต้องต้องศึกษาเนี่ยทั้งๆเหมือนกับเรามีของอยู่อยู่อยู่ที่ไหนสักแห่งเช่นของในกระเป๋าเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าของในกระเป๋ามีอะไรเรามันั่งดูนี้จนมันตายมันก็มองไม่เห็นแล้วว่าข้างในมีอะไรเราต้องหยิบของในต่งางนั้นออกมาดูเปิดกระเป๋าออกมาดูด้วสุตตะสุทัศน์เนี่ถ้าเราไม่ไม่พิดนาก็ใส่ใต้ใต้ถุงหนังแล้วก็มองไม่เห็น แต่ถ้าเราเราก็พิจารณาลงไปคืสมัยนี้มีนหนังสือที่เา้าเขาเขาเปิดออกมาให้ดูภายในของร่างกายอาวัยวะต่างๆแล้วก็ดูแล้วเราก็เอาภาพนั้นมาจำไว้อยู่ในใจแล้วพยายามเจริญมันอยู่เรื่อยๆนึกถึงมันอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญอสุภะธรรฐานอี น, นี้เขาไม่จํไม่จาเป็นต้องกลับไปนั่งสมาธิแต่เขาไปหลวงที่พิจรารณากายเลยได้ใช่ไหมครับอาจารย์ทีท่อาจารย์ว่าครั คือพิจารณาแล้วมันมันต้องมีข้อสรุปที่จะ ต, ต้องตัดได้ถ้าตัดไม่ได้ก็ต้องแสดงว่ามั น, มนเป็นปนิัพสนไปมันมันคิดได้แต่มันตัดไม่ได้อาจารย์ใช่ถ้าอยากจะตัดพ่แสดงว่าจิตนั้นไม่มีมันไม่มันไม่มีจุดจุดจุ ด, จดหยุดเงี้ยมันไม่มีเบรกนะคำว่าตัดก็คือหยุดใจหยุดไม่ให้ไปยินดีจากจากสิ่งนั้นสิ่งที่รักพิจารณา ถ้าเราตัดความยึด ม, มั่นมันเป็นพวกการที่มีสมาธิจิตหรือเปล่าฮะตาไม่ได้ฝึกมิทางสมาธิทําให้ไม่ไม่พิจารณาแล้วมันได้เห็นจริ ง, งหรือเปล่ามันไม่มีเบรกเนี่ยไม่มีเบรกแล้วก็อาจจะพิจารณาไม่ต่อเนื่องถ้าจิตไม่มีสมาธิไม่มีกามสมรสงบนี่มันจะพิจารณาได้รับเดียวแล้วมันก็ไปแล้วมันก็ไปพิจารณาเอืมันเป็นสัญญาไปเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์พูดบอกว่าถ้าแบบว่าเขาดูจิตไปเรื่อยแล้วโดยที่เขาไม่ได้คิดอะไรเขาก็ ไม่มีความทุกข์กับการดูคือรู้ทันจิตุย่างทุกขณะแล้วไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดอะไรอย่นก็ก็ถือว่าก็ไม่ปัญหาอะไรพ อ, อใช่ไหมพอแต่ก็เขา้<บ>ขาสงสัยแค่ว่ากิเลสที่มันฝังรากลึกติดมาเนี่ยแก้แกไหมคะก็แล้วแต่เหตุแล้วต้องไปพิสูจน์ไงเพราะที่เราปฏิบัติมันเป็นแบบไหนนะ เ, เป็นแบบธรรมดาปลอดภัยอย่างอย่างของปู่ดุลนี่นะคะท่านบอกหยุดคิดจึงได้รู้ใช่แล้วแต่สุดท้ายท่านเดินลงไปสุดท้ายยังไง ก็ถ้าสงสัยก็ว่ามันหมดไหมเหมือนก็ลองไปให้คนอื่นเขาขย่าวดูการหลงตาดูเยไปคุยทรรมะกับหลวงตาดูก็ได้ส่วนหนึ่งหรือว่าสงสัยเรื่องเสือเรื่องเสียงเรื่องผีก็ไปพิสูจน์ดูแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขามีตลอดเวลาคือการวิจิตวิจารณ์อ่าเออการการกําหนดรูปนี่อยู่ในที่อยู่ในบ้านที่ปลอดภัยมันก็เหมือนนักมวยที่ชกกระสับตายยังไม่ได้ขึ้นเวทีจริง คือสภาวว่าหนึ่งเนี่ยรู้อย่างเดียวว่าเขามีวิจกวิจาร น, นะแล้วก็มีความทุกข์กังวลแต่สิ่งที่เกิดกาทั้ตัวเองแล้ววิจกวิจารตลอดเวลาแล้วหาทางแก้ไม่ได้ก็มันไม่มีตังยานไม่ก็เรียนฐานทัานอาจารย์ว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยสมาธิก็นั่งไม่ได้สติมีอยู่นี่ลงไปพิจารณากายเลยได้ไหมครับเอาไปพ่ออกเป็นคำพิปัสนานเลยแต่ว่าก็เรือ่องอะไรก็ได้แต่ให้มันเกิดผลหรือเปล่างอยู่ตรงนั้น ทำแล้วมันเกิดผลมันตรงได้มันจิตมันเข้าสู่ความสงบได้ก็ก็ถูกทางถ้าถ้ายังไม่เข้าสู่ความสงบยังวุ่นวายยังกังวลอยู่มันก็ยังไม่ยังไม่ถูกทางยนังโรคยังไม่หายอืมยามยาไม่ถูกโรค ก, กินยาอาจจะน้อยจนตายกินเพียงเม็ดเดียวหมอให้กินวันละสามเม็ดเอาแค่เม็ดเดียวกินครั้งเดียวด้วยไม่ใช่กินแค่ หมอบางทีบอให้กินตามเม็ดต้องกินเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยเราขอกินแค่เม็ดเดียวแล้วก็พอแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้วิธีการพิจารณาเนี่ยจะได้ผลดีไม่ดีอยู่ที่ว่าถ้าเกิดจิตสมณะมีมีมีสมาธิขึ้นมาได้เนี่ยก็ถือว่าไปถูกทางใช่ไหมครับคือพิจารณาแล้วคือการพิจารณานี้มันได้สองอย่างได้ความสงบแล้วก็ได้ปัญญาถ้าได้ปัญญาด้วยมันก็จับได้ เรื่นอนนี้เหมือนกับว่าสติยังยังไม่ทันจริงๆริง่ทักนจริงๆริงมันจะมันะหวคนติดเหล่าเป็นตัวอย่างอยากพิสูจน์ว่าตัวเองนลิกได้หรืไม่ได้ก็ลองพิจารณาว่ากินเหล้าแล้วมันไม่ดีนมันเป็นโทษอย่างนั้นอย่างนี้ก็พิจารณาไปแต่พอถึงเวลายเย็นๆเนี่ยมนันมาตั้งเลยจะจะจะหยุดได้หรือเราอาจจะหยุดได้แต่วันดีคืนดีเพื่อนสูงแะมาชวนให้เอาท่านหน่อยใช่ไหม ลรลองกันหน่อยมันถึงฝังรากถึ่ใหม่มันไม่สามารถถูกแก้ได้มั น, มนยังไม่รู้ว่าเราถอนได้หมดหรือเปล่าครับนอาจารย์ัานเกับรื่องปัญามมาธิจริงอบรมมาคนไม่มีกำลังกำลังะนอนจะสามารถได้กได้ตามกำลังที่ตอนนี้มีอยู่ได้ <c oughs> ในระดับที่ตอนนี้ทำได้ แต่บางทีเราคุกนช้านกับเรื่องเรื่องอะไรท่านอย่างเนี้ยเรามานั่งพุดโท้พุดโธ้มันก็นั่งไม่ได้เพราะมันจะไปคิดถึงใ้เรื่องที่เรามีปัญหาอยู่เราต้องไปเราต้องไปตัดปัญหานั้นให้ได้ก่อนเเหมือนกันอย่างที่ทรายบอกไม่ ม, มีอะไรที่มันไม่จบปัญหาอะไรต่างๆมันก็ต้องจดกวันนอยู่ที่เราเรายอมรับแบบนี้ไหมถ้าเรายอมรับ กับเหตุการณยอมรับว tamam ่าอะไรจะเกิดแค่ม <Okay>, um, so, um, e ันเกิดป <Right. S 1> ัญหามัน so, ก uh, so, ็จบแต่ท so, uh, ี so, so, so, ่ม so, ันม mm ันไม่มันไม่ปัญหามันไม่เกิดเพราะเราไม่ยอมเราไม่อยากให้มันเป็นไปตามที่มันจะเกิดงั้นถ้าเราตั้งใจแล้วเราก็ปลงว่าอะอะไรจะเกิดก็เกิดอันนี้มันก็จบที่เขาจะมาจับเราเข้าทุกเข้าใจเข้าทุกข์เข้ากระทาตอนนี้นั่งสมาธิรอเข้าไปอันนี้มันก็มันก็สงบได้ เหมือนมืนกัว่าถ้าเรามีความทุกข์เราพิจารณาหาเหตุที่เลิดแล้วก็ยอมรับเหตุทั้งหมดมันไม่จะหนักในตัวมันได้ถ้าเราละเหตุที่ของความทุกข์ได้มันก็จะถ้าเราวุ่นวายเพราะเราอยากจะได้ตาแหน่งแต่เราพอพิจารณาดูแล้วว่าโอกาสที่จะได้มันค่อนจะน้อยก็ตัดมันไปไม่อยากได้มันก็มันพอามวุ่นวายมันก็หมดไปแต่ถ้ามันสื้สีมันห้าสิบห้าสิบนี่มันกูมันก็ตัดไม่ได้มันก็ยัง มันยังอยากจะได้มีความหวังอยู่แต่ถ้าอย่างงั้นก็ต้องมีปัญญาที่สูงขึ้นไปอางนั้นหรอเอาไปทำามเอาไปกระทำนั้นมันก็เป็นเหมือนกับหัวโขนตำแหน่งอะไรต่างๆหรือทุกวันนึงเราแก่เราจะเสียไดยุดมันก็หมดไปอยู่เลยแลไม่ได้เป็นสามปีคือปัญญาเป็นสมาธิมันก็เป็นขั้นขๆของมันเนี่ยแล้วแต่ความสามารถของปัญญาแต่ละคนของแต่ละคนนะจ๊ะ จะจะมีความสามารถนะน้อยจไว้อย่างที่หลวงตาท่านเล่าว่าคือปัญญาอุณนาทิท่านหมาย ถ, ถึงตอนที่ท่านนั่งนั่งนั่งเป็นตั้งทั้งคืนอย่างนั้นนั่งทั้งคืนแล้วกําหนดต่อสู้กับทุกเนื้อธนาแยกกายยากเนื้อธนากจิตออกจากกันจนจนจิตมันรวมนวงเป็นสมาธิปล่อย ว, วางเลทนธนาได้โดยสิน้นเชินอันนั้นน่ะเป็นปัญญาอุนณนาทิ ของของขั้นขั้นขั้นนั้นเป็นแต่ของเราอาจจะเปลี่ยนแต่มาตรงในเรื่องลูกเรื่องแทนเราก็อพอก่อนนะขอให้ได้ก่อนแล้วจะได้นั่งสมาธิได้อย่างเช่นกรณีที่ว่ามีตัวโ ท, โทรศัพท์เกิดขึ้นในขณะ น, นั้นแต่เรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะยับยั้งมันได้ในขณะที่เราเกิดโทรศัพท์อย่างนี้เราก็กลับมา หลังจากที่เกิดเหตุการ์แล้วคือดูใจอยู่ว่ามันยิบยึบยับๆในใจแต่เราไม่ให้มันแสดงออกอาการทางวาจาได้อแต่ใจมันยังยึบยึบยับยับอยู่คือเหการ<พ>มันอยู่กูเราเรายังไม่เข้าไปแก้ที่ต้นเหตุทีนี้หลังจากเกิดหลังจากเกิดเหตุการ์แล้วก็กลับไปพี่นาว่าโอ้นี่เรายังตัวโทรศัพท์ยังอยู่คือไฟมีอยู่ในใจเราเนี่ยอก็วันนั้นก็เลยลงพี่นาวว่าเฮ้ยทุกคนเกิดมาโลกนี้สุดท้ายก็คือเหมือนเคนที่ออชอบพิกาเป็นแค่ ก, กระดูกค่ะสุดท้ายก็พิการ สุดท้ายก็กลายกลายเป็นกระดูกก็กลายเป็นผิวผงไปทีนี้ช่วงนั้นเจมส์ก็เลยยอมรับว่าเออสุดท้ายก็ไปกดธเขาทําไมนะสุดท้ายก็กลายเป็นผิวผิวผงกลายเป็นดินไปแล้วจะกดให้ไีนี้ใจมันยอมรับอมันก็วางไปแตนที้มาต่อมาอีกเหตุการณ์นั้นเกิดคิดว่ามันเจอคู่กรณีค่ะองมาเยียวยใจอีกอย่างนี้แปลว่าเรายังถอนแต่เรายังพึ่งแนาไม่ไม่ไม่ถี่พอไม่มากพอ เปนพิจารณาได้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นขณะขณะแล้วก็คลึงมันไป ย, ยังไม่ฝังอยู่ในใจยังไม่ติดอยู่กับใจพอไปเจอคู่กรณีก็วก็ไอไอไอความรู้นั้นมันนาไม่ทันแต่ถ้าเราไม่กระทั่งสูตรคูนเนี่ยเรา ย, ยังจำไม่ไม่ไม่ไม่ได้ตลอดเวลาเวลาอยู่นอกห้องนอกห้องสอบก็พอพอท่องได้สองเป็นสองเนสี่แต่พอเข้าไปในห้องสอบแล้วมันลืมหมดเลย อันนี้เซว่าเรายังไม่มีความชํนานาญหรือชำชองพอใช่ใชไหมใต้องพิจารณามากกว่ น, นั้นทีนั้นซึ่งเราสามารถพียาในขณะที่ยังเหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นใช่เตรียมตัวไว้ก่อนในแค่ตรงนี้หรือว่าเราสติเราตามไม่ทันมันใช่ไหมคือทั้งสติทั้งปัญญาไม่ทันทีินี่เลสมันเร็วกว่าโทสะมันเร็วกว่าถ้าถ้าปัญญาเร็วกว่ามันก็จะไม่เกิดเพราะมันพอก่อนพอเจอหน้าป้มันเตรียมมาแล้เตรียมรับมาแล้วเตรียมการไว้ก่อนแล้ว ว่ามันทำอะไรก็ปล่อยมันทำไปแค่นี้มันก็จบแนละ้วใช่ ม, <c oughs> มันยึดเป็นยังไงก็เป็นไปแต่เราจะรู้จะรู้เฉยๆไนดะ้ไม่มีปฏิกิยากำลมงเหมือนต้องมีกำลังพลสมควรเลยนะถ้าเราสามารถจับแต่ว่ารู้ได้ตลอดเวลาอะไรก็แค่รู้แค่เสียงแค่กลิ่นแค่รด้เท่านั้นเอง <c oughs> <c oughs> ใครจะพูดอะไรมันก็แค่เสียงใครจะทำอะไรมันก็แค่รูปเคลื่อนไหวนั้นเองเราไม่ได้ไปให้ความสําคัญกับความหมายขององของเสียงนี้ของการเคลื่อนไหวของของของรูปนั้นมันก็ไม่มีความหมายอะไรกับเราปัญหาคือเราไปให้ความหมายกับมั น, นซึ่งคาดว่าเราส่งจิตออกไปรับรู้ อ, อารมณ์ภายนอกที่มันกระทบเข้ามาภาย ใ, ใ, ใ น, น, นแล้วเราก็มีความอยากด้วยมาอยากจะให้ควานทำเสียงที่ทําให้รับพอใจ ถ้าทําในสิ่งที่เราไม่พอใจเราก็ไม่ชอบเราต้องเปลี่ยนใหม่ตลอดทำยังไงก็ได้ได้ทั้งนั้นทนี่เราเปลี่ยนทิศใหม่คืออามณ์ภายนอกจะไหมยุ่งกับเราไงเราก็อยู่ที่ตัวรู้เองเนายความออยู่ที่ตั ว, วรูวว้เราอะไรเงมันจะทำอะไรก็ทํำไปเราเราบังคับมันไม่ได้เราไม่บังคับเขาไม่ได้แต่เราบังคับใจเราได้แต่เราไม่ดูใจเราเราไปดูที่ตัวเขาแล้วก็เต้นแรงเต้นกาตามเข้าไป เือที่แก้ใจจรั yes ตใจเราไม่ได้สวยไปหมดตัวรู้เหมือนกันรู้ข้างนอกแล้วแต่แต่ต้องรู้ที่ใจเป็นแบบรู้แล้วต้องคุนใจไว้ให้อยู่คือไม่รู้ข้างนอกเลยก็ไม่ได้ก็ต้องรู้เราไปไหนมาไหนเห็รู้ก็ต้องรู้รู้ถึนแต่ว่าเห็นแล้วทำใจให้นิ่งได้ไหมเห็นเสือเดินมาแล้วจะนิ่งได้ไหมของครูชาอบท่านพุดโธพูดโธอย่างเดียวตอนนั้นในในเคยประวัติของครูมั่นท่านอาจารยท่านถือไหม หลวงปูชาบท่านชอบเดิ น, น, นตรงคมกางท่านชอบเดินทึบดวงตอนกลางคืนท่านจะถือโคมไฟยังมีเทียนเทียนจุดอยู่ในโคมไฟแล้วท่านก็เดินภาว น, นาของท่านไปเดินจนคนไปเนี่ยพุทโธพุทโธองท่านไปแล้วถ้าว่าคืนเดิมเดินไปพระเอกรับเสือหรือตัวเดิมท่านเดินไปแล้วก็เดินมาแต่ท่านมีสติคมิติท่านดูอยู่ที่ใจตลอดเวลามีอยู่กับพุทโธตลอดเวลาพอเห็นเสือก็จิตมันก็ตกใจ มันก็ลงเลยแต่มไม่ตายเหมือนก็มันมีสติคงอยู่มันไม่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่กระโจนออกไปทางเต่นเต้นหวาดกลัวมันพุบลงไปแล้วก็รวมรวมเป็นสมาธิเองพอรวมลงปับ๊บตัวท่านก็หายไปตัวเสือก็หายไปเหลือแต่จักแต่ว่ารู้อยู่อย่างเดียวแล้วท่านก็ไม่ท่าจะยืนอยู่นานเท่าไหร่พอจิตท้องเรามาท่านก็ยังยืนอยู่ในเรือบทเดงอยู่ แล้วก็เทียนที่จุดไว้มันนอดไปหมดละมันดับไปหมดละแสดงว่าวท่านก็คงจะรวมอยู่็นงานของสังเกตุเสือเข้าไปแล้วเสีอก็ไปแล้วแต่นั่นนั่นลงด้วยอนุภาพของสมาธิไม่ได้ลงด้วยอนุภาพของปัญญาถ้าปัญญาก็อตายก็ตาย <laughs> จบก็จบ อ, อย่งนี้ทีนี่นนขอทํา หรือสีชีพในครั้างใดๆก็ตามเขาสามารถตตะบะเดชะไว้อยู่ในปากเขาลำนองๆเนี่ยสามารถหาะเือเลือดกาได้เยอะได้เราเองในในฐานะที่เป็นชาวพูดเองเนี่ยคุณจะทํำยังไงพี่ว่ามีศีลสมาธิได้ปัญญาในตัวบุคคลบางบุคคลเขาสามารถที่จะทําพุนสอ่ะโดยที่ใช้เขาไม่มีศีลทูมฮะแต่เขาสามารถใช้พลังจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยก่อกรรมทําเข็นได้อ่ ทำไมเขึ้นขั้นข้ามขั้นตรงนี้ไปได้คะก็ต้องมีปัญญาต้องรู้ว่าสิ่งที่เขาทาเป็นโทษเช่นองค์กลิมานี้เขาก็อยากจะบรรลุเหมือนกันแต่การบรรลุของเขานี้ต้องฆ่าคนถึงหนึ่งพันคนถึงจะบรรลุได้เขาถูกสอนให้ทําอย่างนี้ที่โชคดีเขาไปเจอพระพุทธเจ้าที่สอนว่าคนจะบรรลุธรรมได้ต้องฆ่ากิเลสไม่ใช่ฆ่าคน่นต้องฆ่าความโลภความโกรธความเหงาพอเขาฟังแล้วเขาก็เข้าใจ เขาก็เลยหยุดค่าแล้วก็หันมาค่าขี้เหล็ก่าความโลความนกรวามหงแทนคือปัญหาของฤาษีชีไายหรือแมากษัตริยพระพุทธเจ้าก็คือไม่รู้เป้าหมายของศัตรูว่าอยู่คืออะไรนั่นเองที่จะทําให้ตัวเองบรรลุจุดสูงสุดของชีวิตได้พระพุทธเจ้าตอนแรกก็คิดว่าต้องทําลายร่างกายหรือต้องทรมานร่างกายอย่างสุดๆอย่างไม่ได้ให้มันกิงท้าวถึง49วันด้วยกันแต่ถึงขนาดนั้นอ ความทุกข์ในใจนั้นก็ยังมีอยู่ท่านก็เลยมาเหาน็น ว, ว่าความทุกข์มันอยู่ในใจแล้วไอ้สาเหตุก็คือกิเลสปัญหานี่ท่านก็เลยย้อนกลับมาภาวนาเพื่อที่มามาฆ่ากิเลสที่มีอยู่ในใจกิเลสมันจะตายได้เพราะห้องสมรรถะทวิปัสสนาทำกรรจิตเวลาจิตสงบกิเลสทํางานไม่ได้แงแต่ว่าเวลาสงบแล้วมันมันไม่สงบไปตลอดเวลาเราสงบในขณะที่เราจิตรวมลง พอติดเท้อเลาะมาความโลภความโกรธความหลงก็จะทํางานไปกับสังขารสังขารกับความโลภความโกรธความหลงมันเป็นเหมือนกับเป็นมีสัญญาติดมีสัญญาผูกพันกั่ไว้พอฉันคิดเรื่องนี้ต้องคิดไปตามความหลงนะคิดเป็นตัวเป็นตนคิดเป็นเป็นสุขเป็นอะไรนี้ไปเราต้องมาเอาพิเอาเอาวิปัสสนามาย้อนกระแสก็้าทวนกระแสคือวิวัตะนี้คือความคิดของของความหลงคิดไป เพื่อก่อเพื่อสร้างเพื่อถูกเพื่อพันเพื่อยึดเพื่อติดเพื่อโลภเพื่ออยากวิวัตตะคือทางของธรรมก็คือให้ย้อนให้ให้ตัดให้โลภ ต, ตัดความผูกพันตัดความความโลภตัดความอยากด้วยการที้เห็นว่าสิ่งที่ตอนไปโลภไปอยากนั้นไม่มีไม่มีคุณค่าอะไรไม่ได้ให้ความสุขอย่างแท้จริงต้องมีปัญญาที่จะมีปัญญาได้ก็สองทางคือมีครูสอน ด้วยตัวเองคิดอยู่ยเรื่อยพระพุทธเจ้าไม่มีครูสอนเพื่ออะไต้องคิดเองหาทางเองแต่มีน้อยมากคนที่จะสามาร ถ, าารถปราบกิเลสได้ด้วยตัวเองต้องเป็นคนระดับพระพุทธเจ้าเท่านั้นนานจึงจะมีพระพุทธเจ้ามาปรกากฏเพียงครั้งหนึ่งแต่เมื่อมีพระพุทธเจ้านำทางแล้วคนที่จะปฏิบัติตามเป็นผ้าหางมีมีเป็นแสนเป็นล้านได้เพราะว่ามีคนเบิกทางให้แล้วมีคนชี้เป้าให้แล้ว เพียงแต่ยิงเท่านั้นเองเมื่อก่อนนี้ไม่รู้เป้าไม่รู้ศัตรูอยู่ตรงไหนเหมันเข้าไปในป่าศัตรูมันหลบซ่อนอยู่ตามที่หลต่างๆพอเราเผยมันก็ยิงเรายิงเราแต่พอเราจะหาตัวมันก็หาไม่เจอที่เหล็ก็เป็นแบบนั้นมันฉลาดมากมันกับเราเป็นเป็นตัวเดียวกันพทำไมจะไม่ฉลาดจนกระทั่งเราไม่ฆ่าไม่ไม่กล้าฆ่ามันเพราะฆ่ามันก็เหมือนกับฆ่าเรา คุณต อ, อาศัยพระพุทธเจ้ามาส อ, อนหมดแล้วจะลายข้ามันไม่ต้องกลัวข่ามันแล้วเราไม่ตายข่ามันแล้วจใจไม่ตายใจกับกิเลสมันอยู่ติดกันมาจากกนกระทั่งเป็ น, เ ป, นเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันถึงต้องอาศัยวิปัสสนามีมีในพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นหลักกระดาลูปเอ่นไม่ไม่ไม่มีใครมารูถ้ถึงถึงถึงทนี้ได้ นี่อถามเรื่องไกตัวหน่อยนะคะคืออยากทราบว่าท่านหลานทั้งหลายเนี่ยท่านจะต้องอาศัยทั้งเจโตวิมุตติและปัญญาวิด้วยกันหรือไม่หรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งจบคะคือมันต้องอาศัยทั้งสองอย่างเพียงแต่ว่าแต่และท่านาจะมีความถนัดทางปัญญากับเจโตต่างกันคืออย่างนี้คือเจโตก็หมายถึงสมาธิ่วนปัญญาก็คือการพิจารณา แต่การจะบรรลุ้านนั้นมันต้องมีทา ง, ท, งทั้งสมาธิและปัญญาเฉงแต่ว่าบางคนอาจจะเก่งทางด้านสมาธิเช่นพระโวกขางนี่ช่างเก่งทางด้านสมาธิมากถ้าสอบก็ได้ร้อยคะแนนแต่เวลาจะผ่านชั้นนั้นไม่จําเป็นจะต้องได้ญาณคะแนนได้แค่ห้าสิบคะแนนก็พอคือให้ทําให้จิตสงบงมลงญาณก็พอไม่จําเป็นจะต้องได้ขั้งชาน รูปประชานอารูปประชานไม่จําเป็นต้องมีฤทธิ์มีเด่งอะไรตามมาเพงจะทําจิตให้มันเข้าสู่ฌานที่สี่ได้ก็พอคือเด่นขาทําจิตให้รวมลงแล้วก็ออกไปเจริญทางด้านปัญญาได้บางคนก็เก่งทางด้านปัญญาอย่างเช่นภาษาลิบุทเนี่ยท่านอาจจะเป็นพวกที่ใช้ปัญญาอบรมสมาธิก็ได้จิตพุ่งซ่านเรื่องอะไรก็เข้าไปพิจารณาด้วยปัญญา เป็นนั่งสมาธิทั้งเคยอย่างเนี้ยต่อสู้แยกแยะเวทนาออกจากการจิตเป็นจิตรวมลงเป็นสมาธิขึ้นพวกนี้ทําไม่ต้องนั่งพุโทโธพุโทโธไม่ต้องกําหนดดูลมหายใจเขาเก่งทางด้านปัญญาเขาใช้ปัญญาทําจิตให้สงบก็เป็นเตโตแล้วเป็นสมาธิและแล้วก็จะเป็นบาปเป็นฐานให้เขาได้จะเรามีปรัสนาต่อไปได้พวกนี้จะบรรลุแล้วพวกปัญญามีมุ่นมิจะเดียวดายโต้ไม่มุม่น เพราะตัวที่จะทําทให้ยึดที่จะทํททาทให้ห ล, หลุดได้ก็ต้องเป็นปัญญาจะเก่งทางทางเจตโตขนาดไหนถ้าไม่มีปัญญาก็กจะติดเหมือนกับอาจารย์ของพระพุทธเจ้าสรูปที่ท่านได้ศึกษาด้วยเขาเก่งทางด้านเจโตแต่ไม่มีไม่มีปัญญาเพราะไม่มีพระพุทธเจ้ามามาตัดสุลสอนในสมัยนั้นต้องอาศัยตัวพระพุทธเจ้าตัวเจ้าชายกิตติธรรมนี้ มันนั่งโคตรถนะตัดธนู ก, ก่อนถ้าถึงจะมีปัญญางาั้น้าเปรียบเทียบเจโตวิมุตต์กับปัญญาวิมุตต์ก็เหมือนกับคนที่ถนัดซ้ายกับถนัดขวาคนที่คนที่เก่งทางด้านด้า น, ด, านด้านเ จ, นเจโตเขาก็จะไปทางเจโตก่อนเขาจะากําหนดจิตให้สงดรวมลงเป็นฌามีแล้วอออเป็นขั้วอ่อนมาพิจารณาไปเรื่อยๆแต่คนที่ถนัดทางด้านปัญญา เขาเขาก็ใช้ปัญญานี้พิจารณาทําให้ตสงบเป็นสมาธิแล้วก็ใช้ปัญญาตัว น, นี้พิจารณาได้รักต่อไปอันนี้จำทุกขันนัดตาใ น, ในขันห้าเพราะฉะนั้นจะถามว่าเวลาจะบรรลุนี้จะต้องมีทั้งสมาธิทั้งปัญญาหรือัม่ก็ต้องมีแต่ไม่จําเป็นว่าจะต้องสมาธิไม่จําเป็นจะต้องเป็นขั้นแค่แค่ว่าขัา้นขั้นชานทั้ง รู้อายุประชานกันเลยขั้นรู้ปะ่ะขั้นรู้ประชานี้ก็พอเพียงแล้วแต่ถ้าเก่งสามารถจะถืออายุประชาได้ก็มันก็มีประโยชน์ไปทางด้านนึงทางด้านนิดเลยวอาจะมาอาจจะสามารถอ่านจิตใจของคนอื่นได้รู้วาลากิจของผู้อ่น ร, ร, รู้ว่าคนนี้ตายไปแล้วเกิดจะเกิดเป็นอะไรอะไรหรือเรื่องราวแบบนี้ยพราอาหันทุกรูปไม่รู้อย่างนี้นะ สิ่งที่พระอรหันทุกมุมมีเหมือนกันก็คือการทิ้งของอาสวะคือการทิ้งของความรู้ความโกรธความหลยอันนี้เหมือนกันเนี่ยแต่ความสามารถทางด้านเจตโตหรือทางปัญญาไม่เหมือนกันอย่างที่เมื่อกี้พูดอาจารย์บางรูปท่านได้มีปัญญาสองค น, นทั้งสองตัวท่านเองได้ถ้ามีปัญญาที่จะกล่าวว่าพอเพียงกับการดุจพนพอเพียงกับการชําระความรู้ความโกรธทวางหลง แต่ไม่มีความสามารถที่จะเอาความรู้งนี้มาเผยแพรต่อคนอื่นได้พระพุทธเจ้าเองยกย่องภาษาลิบุทให้เป็ น, นภ า, า, าษาสาวกเพราท่านเก่งทางปัญญาในบรรดาภาษาโลกทั้งหมดพระพุทธเจ้าบอกไม่มีใครเท่นเก่งเท่ากับภาษาลษาินอกจากคือเอกจากพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีใครจะมาเสมอเท่ากับภาษาลิบุทแล้วแต่ถ้าทางเรื่องลิบต่างๆแล้วไม่มีใครที่จะเก่งเท่ากับพระโมคคัลก็ คนนึงเก่งทางเจโต<ม>เขาเยเขเรียกว่าเจโตวิมุตต์พวกนี้จะได้สมาธิเก็บเืิดจะนั่งกําหนดพุดโทโธไปกําหนดดูนหายใจใจติดเป็นฌานติดเป็นฌานแล้วก็จะออกมาพิจารณาปัญญาต่อไปหรือไม่ก็สุดแท้แต่บางคนติดสมาธิ็นปีๆเลยก็ได้แต่ถ้าเป็นพวกปัญญานี่มันจะไม่อยู่นิ่พอมันใช้ปัญญาพิจารณาทาจิตให้สฉีได้อออก็เอามาจากความสำหนดมันก็พิจารณาต่อไปพวกนี้จะบรรลุเร็วสำเร็จเร็ว ่าค่ครับคนคนนึ่งสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามุ่งชำระจิตจนกระทั่งตดพนจากกิเลสทั้งหลายแล้วแล้วก็อยู่ในสิ่งสมาธิปัญญาแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยทํากรรมเอาไว้มากมายเดินอย่างเช่นองคุลิมาครับอาจารย์ซึ่งก่อนที่เจอพระเจ้าได้ฆ่าคนหนึ่งเก้าร้อก้าสเก้าคนที่นี้เนี่ยไม่ต้องใช้เวรใช้กรรมกันหรอครับก็ใช่พบถือทานึงก็ชาวบ้านที่เขารู้จักก็เวลาไปรินระบายเขาก็เอาหินใส่ให้คว้านหินใส่ให้ ได้ค่ะก็ต้องหนีอะไรไปคือยังไงก็ต้องใช้เวรใช้กรรมก่อนถึงจะสามารถบรรลุได้ขึ้นอยู่ว่าเวรกรรมจะไม่ไม่ไหมแต่ว่าถ้าบรรลุแล้วเวรกรรมที่เหลืออยู่ก็ใช้ได้แต่เฉพาะชาติตายนี้เท่านั้นตามด้ที่ยังมีร่างกายยี่เช่นพระพุทธ่่้าก็มีพระเท่ทั่่ า, า่่่่่่า่่า่า่่า่่่าพระพุทธ่่้าถึง่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่น่่นรรนน่่พอเทท่่่่่ก็มาแต่เพ่่่่่่ว่า ทำได้เพียงแต่ที่ร่างกายเท่านั้นเองเพราะจิตของพระพุทธเจ้าเนี่ยหลุดพ้นแล้วจิตไม่ได้ยึดติดกับร่างกาย ร, ร่างกายจะเป็นอะไรจิตจะไม่ยีตกไม่ทุกข์เปยังไงก็ตามร่างกายจะต้องใช้กรรมจนกระทั้งหมดหมดกรรมใช่ไหมใช่รู้สึกท่ามโลกลาเรือ่องใครนี่ก็ถูกเขาฆ่าตายตทา่ทานก็ท่านมีฤทธิ์ท่านสามารถใช้ฤทธิ์นี้ช่วยให้ทา<ม>่านได้แต่ท่านก็บอกไม่ทำเพราะหนีเขาได้วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ตามมาอีกเพราะเวรกรรมันหนีไม่ได้หนีไม่พ้น ช่อให้มันหมดให้มันหมดไปเลยดีกว่าหมดแล้วก็หมดไปวิจัยท่านไม่เดือดร้อนเนี่ยแล้วเรือเ่องอะไต้องไปหนีเพราะท่านพร้อมที่จะรับอยู่แล้วท่านพร้อมเหมือนกับคนที่ยิงยิงคนอื่นตายแล้วก็นั่งร้อยตารวจ ม, มาจับไปเข้าคุกไป <c oughs> เขาก็ไม่อยากจะไปไหนแล้วเขายอมรับกรรมของเขาอย่างน้อยเขาสบายจังเขาตรงได้นะติดรุกก็ติดแต่ได้ทําตามที่เราต้องการจะทำนะเพียงแต่ว่ามันเป็นงานกาะทําที่ไม่ถูก่ึง แต่สมมติว่าถ้าเกิเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่มาก่อนนี่ก็ไม่มีทางบรรลุได้ใช่ไหมครับได้ถ้าเป็นโชณาบางคต์นี่ก็ไม่ต้องไปใช้กรรมเวลาทําการทาบาปทำการมที่มันทำเพราะความหลงทาเพราะความรุ่แก่อํานาจมันไม่ได้เป็นสิ็งที่ถ้าว่าเราถ้ามันเป็นสัมดาอย่างเงี้ยมันก็จะมันก็จะบรรลุง่ายแต่ถ้ามันเป็นสันดาเนี่มันก็ยจะมันก็จะบรรลุยาก เพราะการการการชำระก็คือการชำระกันดานของเราเองที่เราปฏิบัติชำระกายเราจานใจ ก, ก็คือการชำระนิสยัยกันดานที่ไม่ดีต่างๆที่เราเรียกว่าบาสคือความโกรธของควา ม, มของเราแต่และคนนี้ไม่เท่ากันบางคนนี้มีร้อปร์เซนต์บางคนมีแค่ยี่สิบเอร์เซนตสามสิบเปอร์ซน่แต่คิดที่ว่าฆ่าแม่เนี่ยถึงได้จะได้สัตว์สัตว์บัติกันแล้วแต่เนี่ยนะจึิงถือว่าไม่ได้ไปในเป็นไปใบภูมิแต่ เกี่ยวกับชาติพพที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยยังคงใช้กรรมที่ทำกับพ่อแม่ไว้เช่นเดียวกันใช่่มาาถึงวไม่ได้เกิดเป็นไอภูมิเท่านั้น้องในนรกเนี่ยนะครับแต่ก็เพราะว่ากรรมที่ฆ่าพ่อทําแม้ก็ต้องธรรมดาก็ต้องไปจกิในนรกเนี่ยได้เกิดในนรกนี่ถ้าได้บรรลุเป็นสุดาบรรไอ้กรรมนั้นก็ก็ไม่สามารถที่จะมามาทําให้ท่านไปไปเกิดไนตรงรกนั้นได้แต่ก็อาจจะมี มีปัญหาอย่างอื่นที่เป็นกรรมที่มันเกี่ยวข้องกันมาก็ได้บางคนเคยที่เป็นแม่หรือหรือคนอื่นก็อาจจะมาข้างแม่ท่านหรืออะไรต่อไปก็ได้สมมตินะเราก็ไม่รู้แต่นั้นก็เพียงแต่ว่าถ้าได้บรรลุขั้นแรกไปแล้วก็เรื่องอับางนี้ก็ถูกเปลี่ยนได้ไปแต่ถ้าเป็นท่านที่ยับุป็นคนแล้วโอกาสที่จะฆ้าพ่อแม่ทุ่งแรกผมมีผะมากนะถึงคนเขาอกก่อนหน้าก่อนหน้า ก็เหมือนท่าองคุลีมาตั้งค่าคนบรรดาวร่างกับดาวคแต่ไม่ได้าแม่แมาจารย์คะหรือปุตตะเวลาพาวาไปเนี่ยใจมันแค่าาย่าบางครั้งเนี่ยมันมีนิดเกิดขึ้นซึ่งหลายครั้งที่มันมีนิดอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยใจเราแค่ว่าชอบจิตที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไปดูมันให้รู้แต่ใจนึงก็กล้าใจนึงก็ไม่กล้าแต่ใจนี้ได้กลับมาว่า เข้าสู่ภายในเพื่อเข้ามาที่เราถอดถอนอในบางอย่างที่มันอยู่ในใจเราเนะี่ยมันก็ยังไม่ใหญ่ทําตรงนั้นนะคะเราควรจะแก้ยังไงตรงนี้จะไปดูให้มันรู้ไปเลยหรือว่ากลับเข้ามาภายในเพื่อถอดถอน อ, อ, อะไรที่มันอยู่ในใจอถ้าเราเพียงถ้าเราเริ่มต้นเรายังไ ม, ยงไม่ยังไม่มีความจำนานในการทำจิตให้ <c oughs> เราควรที่มุ่งไปที่ ท, ทําิตสงบก่อนเวลามีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจหันกลับมาหาทุกโธหันเมื่อกลับาลมหายใจนั่นมันก็จะหายไปเอง ที่มันปรากฏแล้วเรตามมันก็แสดงว่าสติเราไม่เราเพอแล้วสติไม่ได้อยู่กับพิธโทไม่ได้อยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องกำเนิดติมันก็จะไปหรือว่าเรารู้ แ, แต่เรายังมีความอยากอยู่อยากจะไปอยากจะไปลองก็เหมือนคนที่เคยติดในอดีตเคยติดสิ่งนี้มาก่อนว่าของพวนี้มันไม่ได้อยู่ๆมันจะปรากฏขึ้นมามันต้องเคยปรากฏขึ้นมาแล้วแล้วก็เคยมีความทุกพความเป็นอยู่ถึงมีเป็นัำหา แต่ถ้ามันมันถ้าเราไม่มีปัญหากับถ้าเราไม่มีความถูกทางกับมันมันก็ไม่เป็นปัญหากำับเราให้เราก็ต้องตัดสินใจเอาเองว่าเราจะเอาอย่างไรถ้าเราไปยุ่งกับมันเราก็จะเสียเวลาเหมือนกับนั่งรถมามาที่นี่แต่ปแปลว่าแถวบางแสนแถวพัทยาก็ม า, นานไม่ถึงหรือมาถึงมันก็อาจจะสายเกินไปนก็ได้มาถึงก็ไม่มีใครอยู่ที่นี่แล้วเร า, นานไม่ทำํำแล้วเราทำกิจกรรมต่งางๆเสร็จเรือร่อยๆก็แล้ว เราไปเสีกเพื่อเพลินกับแถวพัทยาแถวบางแสงการภาวนาวก็แบบนั้นเวลาที่เราไปคล้องเกี่ยวกับมินิต่างๆมันก็จะเป็นอย่างนี้นมิ น, นิมันไม่มีคนไม่มีประโยชน์อะไรสําหรับเป็นฐานแห่งการจเจริญปัญญาเพื่อการหลุดพ้นฐานที่ทําให้จิตให้หลุดพ้นได้ให้เป็นให้มีปัญญาได้ก็คือความสมมมางบนิ่งขอจิตเป็นอุเบกฐานเป็นกระตาลน์ นั่นคือจุดที่เราต้องการไปเวลาภาวานาแต่ไถักภาวนาก็คุณแม่แก้วนี่ก็ทะเลาะอ ก, กับลุงตานี่คุณแม่แก้วก็ชอบมีนิมิตต่างตา่มามงแลวงตาก็ห้ามไม่ให้ตะยุ่งแต่นที่สุนตลุงตาบอกว่าถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องมาเป็นครูกับอาจารย์หรือว่าเป็นลูกศิษย์กันปลพลังทางกันแล้วกันจะต้องใช้ขนาดนั้นท่าหนึงยอมงั้นท่านาก็อยา่าตะแบงไปเรื่อยว่าอมันอย่างนั้นมันอย่างนี้ไม่เป็นไรอะไร นี่ <C ell an> เคยกล่าวไปหลงตาเขาบอก ว, ว่าถ้ามันใจให้ไปเลยช่หมหมายาถ้าเรามีท่แล้วเรามีฐานแล้วก็ไปได้ใช่ไหมเรามันใจนื่ถ้ามาถานก็แสดงว่าเราไม่มั่นใจคือมันไม่มีเหตุการณ์ อ, อันเกิดอีกเลยอ <c oughs> ของวันนี้เป็นของแถนเราไปเติมน้ำมันอย่าไปยินดีกับพ่าช่ น่าจะรู้สึกแต่ในในความคิดของหนู่ะมีความที่ว่าอย่างน้อยเราเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะไปดูโลกของวิญญาณได้จริงๆเนี่ยเราจะได้กลับมาบอกตเได้ว่าอ้ยมันมีจริงๆนะเราไม่ได้โกหกตัวเองหรือใครๆก็ไม่โกหกเราเพราะเราไปเห็นมาจริงๆเพื่ออย่างน้อยเป็นการยืนยันแก้ตัวเราเองนะคะก็ จะอัตตาอัตโนนาถูกเขือนที่นี่ไม่ใช่เป็นที่มาเถียงกันผู้ปฏิบัติต้องเลือกทางเดินก็แล้วกั น, กนทางถูกมีทางผิดอยู่้าเลือกทางไหนก็ทางใน ก็ไปทดลองดูเราไปสัมผัสแลวสาวรู้สึกเฉยสบายไม่เดือดร้อนก็แว่าถ้าไปสัมผันแล้วยังหวั่นไหวอยู่ก็ต้องกลับไปฝึกต่ <c oughs> ต้องมาอยู่ที่วิเวกันที่วิเวกก็เป็นที่ฝึกจิตแต่ไม่ได้เป็นที่จะอยู่ไปตลอด <c oughs> เป็นที่เราฝึกให้มีฐานให้มีกําลังให้มีอาวุธเมื่อ <c oughs> มีฐานมีกําลังมีอาวุธแล้วเราก็อยู่ตามปกตินี้นกับคนอื่นก็อยู่กันอยู่ที่ไหนก็ได้ <c oughs> อยู่แล้วไม่วุ่นวายแต่ราง มันมีข้อที <cuanto S 1> <iah>. ่ความมิจตาว่าสุขขาปฏิปตาสุขาปฏิปทาขิดปลาปัญญาต้องเปิดยังไงเจ้าคะคือถ้าเรากระหางขึ้นนั้นนะคะตายมันตายได้มเราไม่ค่อยทำนี่วันหนึ่งคือปฏิบัติง่ายบรรลุง่ายนะคะคือพวกที่ปัญญาแหลวแล้วก็กิเล็บาง มีเหรียญน้อยยังสมาี่ก็ ง, ง่ายพิจารณาก็รู้มีเข้าใจฟังหนึเดียวก็รู้เรื่องตอน น, ตอนนี้เราไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่แนวทางจะเดินให้ถึงตรงนั้นก็ต้องฝึกไปนเรื่อยๆมันมันมันคือคนที่เขาเป็นอย่างนั้นมามาลแล้วเขาเขาฝึกมากแล้วแล้วเขาเปาฝึกมาก่อนเราก็ามาถึงจุดนี้แล้วเหมือนกับเขาเรียนหนังสือมาก่อนเรา ตอนนี้เราต้องเริ่มต่สอสายขอขายตอนนี้แต่เขานี่อยู่ชัน้นมหกแล้วไม่มีใครที่จะคา้ารณ์เป็นอย่างที่เราเลือกได้่ะทุกคนก็ต้องเริ่มต้นจากศูนไปศูนต้องเริ่มต้นจากชั้นอนุบาลไปเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าระยะเวลาที่เขาได้ฝึกมากับเราฝึกมามันอาจจะไม่เท่ากันเขาฝึกมามาก เ, เขาเรียนมามากแล้วเ้าก็เลยเป็นพวกแบบยุ่เร็วยุ่งง่ายเราเพิ่งเริ่มต้นก็เ ห, นเหมือนกับพวก รู้ยากรู้ช้าก็ต้องมีขันติอย่าท้อถอยขอให้รู้ให้เชื่อว่าทางนี้เป็นทางที่ถูกแล้วก็พยายามเรียนกันงั้นเด็กที่เรียนในอรุบาลก็อย่าไปท้อแท้โอ้เห็นเขาตอนนี้รับปริญญากันละตัวเองยังไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เรียนดีกว่าถ้าคิดอย่างนี้ก็เป็นการทําลายตัวเองแต่ต้องคิดว่าเขาก็เริ่มต้นตรงจุดนี้เหมือนกับเราเขาก็รู้ยากรู้ช้ามาก่อน แล้วเขาก็ถ่านมาแต่ละพบแต่ละชาติแล้วมันก็ตางกันรู้รู o, ้เร็วรู้ง่ายขึ้นมาเราอาจจะไปแบบรู o, ้เราา็วรู้ง่ายในสมระารยะเมตไต่ก็ได้เหมือนกับคนที่ทามา o, ล o, าาุ้ง่ายลุ้งเร็วในสมถะพระพุทธเจ้าของเรานี้เังคนเก่าที่ทาํามาใช่เพราะต้องทํามากกอนเนะี่ไม่ใช่อยู่ดีๆมันจะเกิดขึ้นมาเองนี่ว่าไม่มีข้ากำหนดตายตัวที่แน่นอน แน่นอนก็คือต้องสะสมบุญบารมีไปเรื่อยๆพระเจ้าสาสมมาสักเท่าไหร่ถึงยามาบรลุอวิชาแั้ใจ่องลมมากระทไม่ใช่ลมหายใจของรับรู้ลมแล้วปล่อยวางกับปัญาร มันก็เป็นการใช้สติกับสมาธิแก้ปัญหาแต่มันไม่ได้แก้อย่างถาวรมันมาทีไรมันก็ต้องมันก็ต้องถูกกระทบอยู่เรื่อยๆเพราะเราไม่ได้ไปแก้ที่รากนะครับรากของมันคือความหลงที่เราได้มองภาพสิ่งที่มากระทบว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราไม่ได้มองเห็นตามความเป็นจริงของมันว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่ว่าอะไรก็ตาม อ, อย่ามากะ ท, บ, ทบกันถ้าเราเพียงแต่ดูลมห า, ายใจมีสติอยู่กับใจเราก็เป็นเพียงแต่ใกใจถ้าใจเหมือนกันว่าไม่ไปไม่ไปไมีสติเพียงพอเต่อนาแต่เรามีแล้วเมื่ทุกครั้งที่เราเจอมันมันก็จะเป็นเห่า ง, งา น, นั้นไปเรื่อยปัญหาก็จะไม่เกิดเพียงแต่ว่ามันช่วยช่วยช่วยระงับเหตุการความรู้สึกในขณะปัจจุบันาานั้น แต่เราทั้งเตลแบบนั้นทีไรก็จะเป็นอย่างนี้ทุกทีอตอนนีจ้จนนึกจนก่อนเราจะเห็นว่าเอ๊ะมันไม่มีปัญหามันไม่มีความสําคัญอะไรเราเราไม่จําเป็นจะต้องมีอะไรเกิดขั้นเมื่อเราเห็นอย่างนั้นแล้วเราก็จะต่อไปก็ไม่ต้องมากําหนสดสติไม่ต้องมา ก, กําหนดรวมเห็นก็เฉยๆนั็นการแก้แก้ปัญหาด้วยอุบายแห่งสมาธมมิมันไม่ถาวรต้องแก้ด้วยปัญญา ต้องเข้าไปถึงร่าถึงคกต้องมองเห็นใจรักในสิ่งนั้นๆเห็นความไม่มีตัวตนย่งเรือเรือที่มันลอยมาชนเรือเราเนี่ยเราจะไม่โกรธเรือลำนั้ น, น, นแต่ถ้ามีคนพายอยู่แล้วมาชนเราจะโกรธเพอะเราไปมองว่าไอ้คนพายนั้นมั น, เ ป, นเป็นคนแต่เรามองเรือล้อไม่เป็นคนแต่ถ้าเรามองว่าไอ้คนที่พายมันก็ไม่ใช่เป็นคนเหมือนกันมันเป็นส่วนดหินท้องเรือ มันมาชนชนล้ว ก, ก็ชนไปมันก็มันก็จะไม่มีมอให้มันเป็นเหือนธรรมชาติแต่แเราเราโ ด, โดนฝนสาดเปลี่ยงนี้เราไม่โกรธฝนแต่ครเอาน้ำมาสาใส่เราเราชนมันก็เปลี่ยนเหมือนกันถ้าในจิตแล้วเราภาวนาเรารู้อยู่เห็นกุก ลมเรารู้ลมใช่ป่ะเออมีลมเนี่ยมีลมนะแล้วก็เห็นยังเห็นที่นิดนั้นอยู่แล้วก็เอ้ยมีลงมีลมอย่างนี้ครับก็ไม่เป็นไรก็ถ้าเราใช้ลมมันก็ต้องเห็นลมเป็นเป็นตัวเป็นเอารมณ์ใช่ไหมเราดูลมเป็นอารมมันก็ต้องเห็นลมเป็นธรรมดาก็มีภาพปรากฏอยู่แล้วเราก็เห็นคือเราเอ๊ะเกิดขึ้นได้ไหนแต่ เรามีลมลมเป็นตัวบอกว่าเรายังมีสติอยู่ออแต่เรายังไม่เคยเจออย่างนี้พอมาเจอมาเกิด ต, ตกใจก็ตกใจกับที่ลมแล้วลมก็บอกเออยังมีสติอยู่นะเะรผูี่ก็แสดงว่ า, วาเรายังยังมีสติอยู่เราตามมาที่ลมถ้าเราไม่มีสติล้วอาจจะตามภาพไป็สายก็ได้ อ, อาจจะมีปฏิกิริยามีความตื่นเต้นห ว, ดวาดกลัวหรื อ, รอดีใจชอบกับภาพที่เราเห็นก็ได้ถ้าเพลินไปจับบันก็ได้ ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเราไม่มีสติครับก็อย่างมีมีเมนที่นั่างไปล้างเห็นลูกแก้วเห็นดวงแก้วแล้วก็ตามดวงแก้วไปพอมาเรืยนตายคือตอนเรียนไปอยู่บนต้นไม้ยอดลอยไม่มีส่วนขึ้นไปได้อย่างไรก็ตามให้ดวงแก้วนั้นไปเห็นแสดงว่าไม่ <c oughs> มีสติครับเวลาภาวนาพุทโธก็ให้อยู่กับพุทโธเวลาภาวนากลมก็อยู่กับเลม เวลาอะไรจะมาแทะก็ต้องลู้ทําแล้วก็ปล่อยวางแล้ก็กลับมาหาลลงมันเหมือนมีสองสิ่งสลับไปสลับมาเรื่อยๆอย่างเราก็จับให้มันเหลืออันเดียวคือที่ลมนั่นเท่านั้นเองในตอนต้นจิตมันจะวิ่งไปวิ่งมาหาสลับไปสลับมาสองอย่างแต่ตอนนั้นมันจะไม่รู้ครัมันมันดูในจุดหนึ่งนะครัท่านมันก็ถ้เหมือนจะถ้าขึ้นหนักขึ้นตื่นไป แต่มารู้เรื่องลมครับออพอรู้ลมอเออพี่ไงคือกลับมายั่งกลับมาพยายามทด่จะจุดรลมไปเรื่อ ย, ยลมจะพาเราไปสู่ความสงบอยู่นั่นแห่ะทำให้สงบได้แล้ ว, ว, ลว ต, ตอนหลังผมเขียนมาเป็นเฮ้งที่ห น, าาน้าผากแต่นี้กลับหนักครับมันหนั ก, กมากเลยแล้วยังไงคือตึง อาจจะไม่ถูกก็ได้ผมต้อกลับมาที่ใช้ที่ลมคนบางคนไทยบางอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกมันเครียดมันเคร่งเลยหมดเขาไม่ถูกไม่ถูกกระแุ้นหรือกินอาหารที่เราไม่ชอบจะรู้สึกว่ามันคื้นแต่ละคำนี่มันพื้นลำบากจิตนเมตินั้นปฏิกิริยาร่างกายด้วรู้วอาหารที่มันรับประทานเข้าไปแต่จิตเป็นตัวแล้วถ้าจิตมันมีปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็จะแสดง ถ้ามันชอบมันก็จะกินเข้าไปอย่างเอเวเตอร์วาอย่างง่ายดายถ้าไม่ไม่ชอบมันก็กินแบบผอมอิ่มผอมอมการภาวนาก็เหมือนกันถ้าเราใช้สมถานที่ไม่ถูกกับจริตเราเราจะรู้สึกว่ามันมันไม่มันไม่มันไม่มันไม่ถูกกันเราก็อยากไปฝืนบางทีเราไปอยู่ตำแหน่งหนึ่งท่องสอนอย่างนี้แต่ไม่ถูกกับเรา กาไม่เป็นไรเราก็รู้ไว้แต่เราไม่ต้องไปต่อทางสำนักให้เขาเปลี่ยนมาให้มาถูกธรามะแล้วเป็นปัญหาเราก็ทํา้องเราก็ทาในสิ่งที่ถูธกธรรมะไปตแต่ไม่ต้องไปบอกใค้อื่นเนี่ยเราก็ควรจะไปอยู่ตามสำนักที่เขาสอนสิ่นที่มันถูนะกธรรมะเหมนอนเราไปเลือกร้านอาหารแล้วก็ไปกินร้านอาหารที่เราชอบกินแล้วที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ไปก็เหมือนกัน กรถมานนี้ก็เป็นเหมือนอาหารของใจก็จะต้องลงสีหมดต้องไม่เป็นไรเยอะ<ม>คื น, นี่ก็จะทาพิธีการกระถินท้ัก่อจะเสร็จก็ของทุ่มมาคกอเนี้ยาข้าวตอนนี้ก็ลังตัดเยกก็บกันอยู่<ม>ตัดเย็บก้องักต้อ ง, <ม>องย้อมแล้วก็ามาตากให้มันแห้งตอนนี้ต้องใช้พัดลมตา ใช้เครื่องปันอเนกใจอเนก่ยเอาหลังที่บินทั้งชุดแล้วกบางคนมาไหว้มันจะมีเป็นขั้นตอนขั้นตอนนคาวขไว้ชอบใจที่จะเยแ่แต่โบราณมนเาแต่อัญานีไม่ไหว น้ำที่ดีควรจะมีน้ำดีเนาะเขาไม่ต้องมาเลยนม่อพ่ออต่ง่ายทีเดียวน้า่่ออมันง่ายมากอะที่ราานี้มันง่ายกว่ามง่ายกว่า เ่อเชถทําทุกนี้หลเาอยู่นเี้ยคแค่แบบอ่าอทร่มันมันมันไม่ไใช้ เขาเล่าให้ผว่าเขาพาแม่ยายึ้ามาเขาเปิดเขาไปเขาเห็นท่านอาจารย์เขาไม่เชื่อว่าท่านอาจารย์เป็นเจ้าอาวาสโดยสมัยเจ้าอาวานอนเสือพินเดียวไม่สบายไม่ต้องมาดูแลไม่เชื่อเขาบอกว่าเจ้าอาวาอะไรไม่ดีพระเลยท่านน้อยดูแลเลยควาจริงอาจารย์ไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสเป็นรักษณะนี้ใช่เลี้ยงใครมาใส่ร้านขี้เหร่แล้วมาตั้งตรงนี่าร สางไก็มันก็ไม่มีความหมายอะไรเพว่าอำนาจไม่ได้อยู่ที่เราอนอยู่ที่คนที่เร้งเขเดิก็จะตรวจเราเมื่อไหร่ก็ไดเราก็เลยไม่ได้ไปเราก็อะไไม่ได้ไปอะไรกัน้พรี่มันก็จะ็นวสของเราที่เราชอบอยู่บี้นะ่รยัดองัาระต้นนนี้จถ้าตรแดงบอกว่าขอสวายทำวัดไอ้จะมีการวัดที่สงบ ถามถามไม่อากว่ามันอยู่ในใจเราอยู่ในใจเราิด้อยาเรื่องภายเนเานี่เราจํายู่นะถ้ามีแค่เรื่องทำหนังสือเรื่องเผยแพทำลไรา้่เรื่องอย่างนี้ไม่ต้องกวลตอนนี้มีคนถามมาก มันก็มันก็อยู่ได้มันก็อยู่าป่าเราไม่ตามไม่ได้อะไลที่ดีแม่ผมรูกเป็นบุญคุณที่ท่านจารได้เมตตาอบรมสังอนเราะทุกอย่างอยากทาถวายทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อท่านอาจารย์จะได้อยู่ยืนยาวก็ยอมก็ทำาะไรเรื่องอะไรเชื่อทำนะถือเผยความนีามนี้เป็นประโยชน์นะ คนไปเยอะแลวคนนําพาคนมากวนนั่นกันเยอะเพราะเขาควรเวลาเขาก็ต้องการเป็นที่เรา้องการเห <c oughs> มือนกันเมืเขามาเขาถ้าตายเขามาแล้วเขาเขาไมมาสร้างความุวยเขาไม่ม า, า, า, า, เ, ามเป็นหถ้ า, ามาแล้วมาทำกิจกัรมอ่างอื่นที่ไม่เคยเรื่องจะมา ไม่ต่างอดจากเนี่ยยังจางงย่างเงี้ยนีไม่ใช่หมอหมอเจ้ายาเท่าไหร่นี่มียานยายังไงยาาขงอไม่อตอนนี้ไม่ไม่ฉันก จกดอเอร์อินเนอชกำลังหาอันนี้อยู่พอดีอโหอได้ไปก่อนสอนให้พักเากดตรงนี้ให้แล้วมันึก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไให้เอาปลยนมกดเาไปอ้นี่ได้ใดีจพีได้ใจเย็นหออ่านนีติามาเนี่ย แต่ไม่ไม่อนุญาตให้ผู้ผู้หญิงมาสร้างแค่อยู่ห้างเนี่ตนเขาห้ามดม้ได้มาลบวร่จะเนี่ยเขาก็ไม่ลบควรแ่เาก็เงจะไม่อยากจะให้เราทำอะไรมากกว่านี้ก็ดีอย่างก็มาเื่อทงานนี้แล้วก็นไปปฏิบัติของ เราต้องยอมรับข้อจำกัดของแต่คนนิดหน่งแ่าอาจารย้องลูท่านมีวันมีวันลาสิบกติแบบเราก็มดให้เราอาจจะเป็นมีกรรมเวลาที่เดอันเป็นอย่างนี้ก็ต้องรับกัสภาพของไปเราทำงานน่ะสำคัญที่สุดนะฮะเำานกไปสปลนใจให้ได้ถ้าไม่เป็นไม่เทากัามหาย อยู่ที่ังงครูบาอาจารย์เฉยๆที่ท่านให้ย่าประโยชทางก็เพราะวท่านก็ถับไม่ได้ก็้งไม่ทํนกันแต่ท่านท่านยังได้ไปยังไงวะท่านทำเพื่อเพื่อถอยกาเพื่อปีนเถื่อนอะไรเพื่อเก็บสื่อก็อยู่นี้อยู่นี้มาได้ตร้งี้ส การสุตราแก่แล้นะครับแคายังเสีงตงเดินองไปอ่านน้ข้างนอจะไมด้อ่านห้าข้กนี่มันไมถ้าฉันต่อท่ออสลอนทุ้นั้นมันก็ไดลงข้างล่างแล้วโอ้คนนั่ัแค่ดู่นไ่ได้ฟังมันไม่ใช่เรื่องเดียวมันมีหลายเรื่องด้วยกันพวกการละเดียดมันยาวว่าเดี๋ยวมีจะขอให้เชื่อเราแล้วกันว่าปส่อที่เหมากับานี่ เราคิดหลายนอบหลายตลอไม่เคมีแลายอย่างตัดใจเยนะแยะเราคิดว่าุคนี้มันมันเหมาะที่จะทไม่ตวอกังวลบีเป็นห่วงเราใช่ใช้ได้ยินของจ้าท่านเล่าเรื่องหนึ่งที่มันโดนตีไม้ทักไม่เอคมันไม่ทราบเลยต่เดินขึ้นอย่างนั้นโดีไม้มันหล่มาทับมันแล้วก็ร้องร้องร้องวเจ็บเ ยิงต้วเองมันได้ยิงมามัก็มาดูนล้มันก็กระโดดมันกินยิงกระโดดเข้าไปมันก็ยิงล้อมใหญ่ก็ไปทักเก่งให้มันหนักขึ้นหมมันก็ยิงเก่ดมากขึ้นแล้วก็ล้อมไอ้นี่มันไม่รู้ยิงล้อมก็ยิงมากันใหญ่มาช่วยกันใหญ่เมื่อใครตายตายพวกปินทั้งหลายไม่ใหญ่ทั้งหลนยจะก็้ยุงใหญ <c oughs> เวลาในในในกฎจัง ม, ม, ม, ม, มีข้อจํากัดหลายอย่างที่ไม่ไม่ต้องาการที่เราต้องมาพูดอธิบายให้ฟังเราก็ทําไปตามข้อจากัดข้ออที่เราเราทําได้แล้วทำไปอะไรที่เราสะดวกที่สบายกับเราเสแล้วก็วทำนะครับไม่ต้องไม่ต้องขโมยแต่ให้ฟั น, นะครับ <c oughs> ยถาวาริหาตุลาตเติตาังเอวันิวาอิโตตินางเตตานัอิปกะติอจิตังปะิติหงพิโตเนวาตุเลตุสัพเพตุรนโตตังปะจัสุยถา บาลีโิย so คัิติววจสัคโรโิมาสตมาเตวันตรายจุขีติทายุโภะิวะนสีมิจจิุทาจายโตาโธัมมาวาคันติอายุวันสุขภาว ก็สูงมากถ้าเราปฏิบัตท่ท่านอาจาสอนยอมสืบคุณพรกันต่ือให้เราได้ปฏิบัติแยังบอกผมว่าในวังในันเนี่ยจ้าอยู่ในวังในคันก็หลงง่ายที่สุ มันเป็นปเนี่ันเป็นปานิการรก้อะ้นรยนไับาเราอยู่กัเทา้าเราอยู่เา เราจะทำไปไ่ด้ไม่้ไปแค่ีอนทก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็ได้หุ่ต้องถไม่เกิดประโยชน์อะไรถาันทำไเกิประน์อะไแทำว่าโยมจากนันว่าคนที่เากษ มันเ็นบามนะก็ที่มันมันเป็นสมบด็จพัมมาส้แล้วก็ลูกสมาธิอยู่ตรงนี้ว่านี่อาหมาี่ยามาอนันกองทับมานี่มันนี่ดีถล่มเลเป็นอย่จริงจริงแล้วมานอพิงจะ่ต้นแล้วก็ติดขันความยามุติารมีจมูเล่าเราตอนนั้นหลังจากผมที่ควรจะต้องขยันผมต้องการจะบรุงิ่งเด่ได้ ติดอยู่นนายก็คือโรคกแเดินติดอยู่นะเจะําชอบนอนภาวนาแล้วก็คิดด้วยว่าโดยอาะมันเป็นธาร ม, า, มาทําบาทีก็มัต้องยกตัวยอย่างให้มันเปด้รยการ น, นอนนะ แสดงว่าเป็นกองทัพลเลยเวลาแบบไปดูหนังดูกระตุนเลยเลยขาว่าตั้งแต่เด็กเด็กเรารู้สึกโอ้โหวแบบว่าดูแบบว่าทำมาหน้ากลัวนะแต่ฝรั่งส้าให้คุณจิงเล่ น, นก็จะรู้สึกเลยว่าโ อ, อกโหาามัหานามแล้วลูกก็จะไปจิตว่าอ๊ยสักลงจริงจริงมนช่วงหนึ่งก็พญานาคจรจริงเมือนจมจินจจับเือยู่เช่ท่านก็บอกว่าอย่างนี้จะมาจิๆๆๆจๆๆตอยู่ตรงนี้อย่างไรให้ด้ มัไม่เป็นไรทีได้แต่อย่าไปเลือกอะไรถ้าใช่ว่าเป็นการเป็นการให้พยายามที่จะอธิบายท่อเราเร็แต่ของจริงเราต้องไปเจอเรื่อ่่ที่เราต้องกิไม่ได้แล้ไม่หลับแล้วรับมันอยู่มีอีกอันหนึ่งก็คือทุกวันนีก็ดูแลคุณแม่ที่ปวยมากๆออกไปโรงพยาบาลหลายรอบแล้ว แล้วทีนี้เคุณแม่เคยทําอะไรได้ด้วยตัวเองแบบลูกว่าเกินร้อยเปอเซ็นต์ร่นวันนี้ลูกก็ต้องทาอาหารดูแลคุณแม่ทุกอย่างเลยแล้วทีนี้บางครั้งคุณแม่เคยก้องหุดหงุดหุดหงุดแล้วเขาก็จะทายว่าไอ้นี่ไม่ถูกใจและแกรกลูกก็โอเคครับตอหลังๆมาเปกันแม่ลูกหิ่หลงตัวต้องไม่บ่นว่ามันอ่อนนิ่งไปอ่อนไปเย็นไปแล้วตอนหลังแม่บอกแม่รู้แล้วแต่ว่า บางครั้งลูกก็เลยรู้สึกผิดในใจด้วยค่ะโยมรู้สึกผิด ใ, ใจว่าวหวติดแบบว่าแม่ตัวเองอย่งนี้ใช่ค่ะแล้วพอไปก็คัดภาวนาไปพา ว, วนามาก็รู้สึกว่าเออนะเราต้องฝึกตรงนี้แหละคือการฝึกเพราะเห็นแม่ทุกวันทุกวันทุกวันวั น, วนจนอืบางทีก็หักข้ามใจตัวเองค์ะเออเราต้องไม่นั่นหนะับแม่แล้วนะแต่แต่โยมไม่ได้แบบแอบใสนะ่เลยจ้ะโ ย, ะ ย, ะยะมก็เลยแงลืมอะไรไ ป, ไปลึกฝ่าแบบว่า ว่ามีวันยังโยงเลยบอกแม่นึกเพะว่าเป็นพระไปกินทบบาทแล้วเขาใส่มากินไปเถิดนะอะไรเงี้ยแม่ก็เลยสรุปข่าวสรุว่าแบบอยากจะถามว่าแบบว่าผิดผิดมากเลยใช่ไหมเจ้าค่ะทั้งดูแลแต่บางทีก็แอบแววไปแบบเถียงแม่บ่บ่ขุดลิบต้องการรับเทิร์นเจ้าผ่ะ่ายิงค่ะ บางทีแบบก้าลงสิตัวเหมือนกันเหมือนกันนะคก่อนนะอ่่ออ่่ à,